วันนี้ได้อยู่ใกล้ชิดกันหน่อยเพราะฝนตกถ้าฝนไม่ตกญาติโยมไม่ยอมเข้ามาในศาลากำนั่งไกลๆกูจะถูกกูจะถูกสอบถามท่านที่ใดไม่ยอมตอบท่ทีไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะตั้งแต่มาฟังมาศึกษา มาปฏิบัติวันนี้เสียงกล้องเลไมนะ mm hmm. ทราบตัวไหนที่คนสอนไม่รู้ว่าจะสอนตรงไหนดีจับจุดไม่ได้ถ้าคนเรียนแจ้งมาว่าเป็นยังไงบ้างก็อาจะอาจะพอจะแนแนวทาง ได้อยงนี้ก็ต้องแบบสุ่มเอาแบบจับปลาใน่้ต้องสุ่มเอา <c oughs> บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แต่ถ้าถ้าปลามันโผล่มาว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ับาจับมันได้เลย <c oughs> อ่ะมีอะไรเจ <c oughs> อ ไม่ได้เย็นนะ จะรู้วิธีบันเทามันเราใช้เพราะคำบริกรรมหรือใช้อะไ ร, รอ่าใช้พุโทโธเวลามันเจ็บเวลานั่งแลมันเจ็บก็อย่าพึ่งลุกเวลาลุกนี่นแสดงว่าใจเราอยากนะอยากจะให้เวทนาหายไปทาในลุกขึ้นมาเพราะทุกครั้งที่เราลุกมันหาย แต่การปฏิบัติของเรานี้เราไม่ต้องการที่จะม า, าหนีจากเวทนาเพราะว่าในชีวิตจริงนี่มันถึงเวลาแล้วมันหนีไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาไปเจออุบัติเหตุมันร่างกายเกิดอาการเจ็บขึ้นมามันหนีมันไม่ได้ ไม่เหมือนตอนที่เรานั่งสมาธินี่เรายังพอจะหนีมันได้พอนั่งแล้วมันเจ็บเราก็ขยับแข้งขยับขาลุกขึ้นมาเดินแต่การที่เรานั่งเพื่อนั่งแล้วเวลามันเจ็บเราไม่ต้องการที่จะขยับก็เพื่อที่จะได้ฝึกฝนจิตใจให้รับกับความเจ็บปวดของร่างกายให้ได้เพราะความจริงแล้วใจไม่ได้เป็นผู้เจ็บปวดเลย ความเจ็บปวดนี้อยู่ที่ร่างกายเวลาเรานั่งนานๆามันก็ต้องไปมีการนั่งกับพื้นมันก็มีมีการทําให้ร่างกายเจ็บขึ้นมาแต่ใจของเราก็ไปเจ็บกับมันด้วยเจ็บด้วยความหลงหลงคิดว่าเราเป็นร่างกาย ใจที่ว่าใจเป็นร่างกายแล้วใจไม่ชอบความเจ็บก็เลยต้องการที่จะกําจัดความเจ็บโดวยวิธีใดวิธีหนึ่งวิธีที่เรารู้กันก็คือขยับร่างกายพอแล้วเรานั่งแล้วมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เราก็ขยับถ้าเป็นอย่างอื่นก็อาจจะต้องหายามาทา เวลาเป็นแท้แล้วก็ทานยาแต่มันก็เดี๋ยวก็ต้องเจอความเจ็บอยูเรื่อยๆทีนเราต้องการที่จะมาฝึกจิตใ ห, ให้รู้ว่าความเจ็บของร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นความเจ็บของใจความเจ็บของใจนี้เกิดจากความอยากของใจ ที่อยากจะให้ไม่มีความเจ็บเกิดขึ้นมาใจไม่ต้องการทุกขเวทนาถ้ามีทุกขเวทนาก็จะกำจัดมันทันทีถ้ากำจัดได้ก็แล้วไปแต่มันจะมีเวลาที่จะกำจัดไม่ได้มีเวลาที่จะต้องอยู่กับมันถ้าใจรู้จากวิธีอยู่กับมันได้ใจจะไม่เดือดร้อน ก็ใจไม่ได้เป็นผู้เจ็บผู้ที่เจ็บคือร่างกายแต่ร่างกายเขาไม่เดือดร้อนเลยเวลาเขาเจ็บเพราะร่างกายเขาไม่มีความรู้เขาไม่รู้ว่าตัวเขาเจ็บผู้ที่รู้ความเจ็บคือใจแต่ใจไม่ได้เจ็บแต่ใจไปเดือดร้อนแทนร่างกายอยากจะให้ความเจ็บหายไป อเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปนี้ใจไปสร้างความเจ็บขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้เรียกว่าทุกข์ในอริยศาสตร์ทุกขเวทนากับทุกขอริยศสตร์นี้คนอ่านกันทุกขเวทนาหมายถึงความเจ็บทางร่างกายทุกขในอริยศาสตร์หมายถึงความเจ็บที่เกิดจากความอยากของใจคือสมุดุทัยภาวะตัณหาหรือวิภาวตัณหา อยากให้มันมาแล้อยากให้มันหายไปอยากให้มันมาก็เรียกว่าภาวะตัณหาอยากให้มันหายไปก็วิภาวะตัณหาตอนนี้ทุกเวทนามาเราอยากให้มันหายเราก็สร้างวิภาวะตัณหาขึ้นมาความอยากให้มันหายทีนี้เวทนามันไม่ได้อยู่ภายใต้หน้าของความอยากของเรา มันจะหายไม่หายมันไม่ได้อยู่ที่เราจะไปอยากหรือไม่อยากเวลามันมาหรือไม่มามันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเรามันมาด้วยเหตุปัจจัยของมันเช่นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายแล้วมันจะหายมันก็ต้องมียารักษาหรือมีวิธีบาบัดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าใจไปอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายก็จะเกิด ทุกในอริยาศาสตร์ขึ้นมาจะเรียกว่าทุกขทุกนี้คือทุกทางใจทุกทางใจนี้พระเจ้าทรงค้นพบว่าเราดับมันได้เนียก็นิโรธการดับทุกดับด้วยมรรคมรรคก็คืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เรามาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญานี้เพื่อเราจะได้มีมรรคไว้หยุดความอยาก เวลาเราเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปเราจะทุกข์มากในใจเราแต่ถ้าเราหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปได้ใจเราจะไม่ทุกข์แล้วเราจะอยู่กับความเจ็บได้ ว, ว, วิธีหนึ่งก็คือใช้สติหรือสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพราะเวลาที่เราบริกรรมพุทโธนี้ใจจะไม่สามารถผลิตความอยากได้ พอเรามาผลิตพุโทโธพุธโทโธแทนแทนที่บอกอยากจะให้หายอยากจะให้หายมันก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปพอเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปได้ความทุกข์ใจมันก็เบาไปเรื่องหายไปเราทําให้เรารู้สึกว่าทุกขเวทนาเกิดความทุกข์ทางร่างกายนี้มันไม่แสนสาหัสอย่างไรอยู่กับมันได้เราจะรู้สึกว่าใจไม่ลาคาญ ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บทางร่างกายอันนี้เป็นวิธีแรกวิธีชั่วคราวต้องใช้สติใช้คําบริกรรมพุโทโธหยุดความคิดเยอะความคิดปรุงแต่งที่อยากจะให้ความอยากความเจ็บของร่างกายนี้หายไปหยุดหยุดวิภาวะตัณหาด้วยการใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะไม่ไปคิดถึงความเจ็บ แล้วมันก็เลยจะไม่ได้ไปอยากให้มันหายเราก็เลยรู้สึกว่าใจเราสบายไม่ลำคาญไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของทางร่างกายแต่ถ้าเราหยุดบริกรรมเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็ผลิตความอยากขึ้นมาใหม่อยากให้มันหายมันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาใหม่ วิธีที่สองถ้าหลังจากที่เราใช้วิธีที่หนึ่งได้แล้วก็วคือมาสอนใจว่าเนี่ยทุกทางใจของเราเนี้ยเกิดจากความอยากให้ทุกทางร่างกายหายไปต่อไปนี้เราต้องสอนใจว่าอย่าไปอยากให้มันหายมันไม่ร้ายกาดมันไม่แสนสาหัสให้มันอยู่ไปถ้าเราอยากจะให้มันหายเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปเป็นการ หยุดความอยากแต่เราจะทําด้วยปัญญาหมายความเรารู้สาเหตุว่าทําไมเราต้องใช้พุโทโธทําไมเราต้องทําใจให้เรานิ่งพอเวลาเราทําใจให้เรานิ่งแล้วใจเราจะหยุดความอยากได้แล้วต่อไปเราก็จะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไปพอเรารู้ว่าความเจ็บนี้มันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา มันจะต้องมาของมันอยู่เรื่อยๆแล้วบางทีเราก็กำจัดมันได้บางทีเราก็กำจัดมันไม่ได้เน้นถ้าเรากำจัดมันไม่ได้เราก็อย่าไปฝืนธรรมชาติยอมอยู่กับมันดีกว่าอยู่กับมันด้วยการใช้ปัญญานี้ใช้สมาธินี้สอนให้ใจอยู่เฉยๆอย่าไปอยากให้มันหาย แล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ปวยของร่างกายเมื่อถึงเวลาที่หมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วก็ไ ม, ไม่ได้ก็อยู่กับมันไปก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายแล้วก็จะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายเพราะเราก็จะพิจารณาร่างกายเหมือนว่าเหมือนกับเวทนาร่างกายเหมือนก็เป็นอนัตตา มันเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศนี่เราไปสั่งมันไม่ได้ฝนมันตกสั่งให้มันหยุดไม่ได้มันนอกป่อยมันตกไปร่างกายมันจะดับก็ต้องปล่อยให้มันดับไปแต่ถ้าใจเราเฉยๆไม่มีความอยากให้มันไม่ดับเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์ ถ้าถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเป็นผู้มีความอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ร่างกายมันก็ไม่เป็นไปตามความอยากของเราได้เพราะความจริงของร่างกายก็คือมันอนิจจงไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตาย เหมือนกับเ ว, เวทนามันก็ไม่เที่ยง ม, มันก็มีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่สามารถไปเลือกเอาแต่เฉพาะสุขกเวทนาอย่างเดียวได้เราก็ไม่ร่างกายเราก็ไม่สามารถเลือกให้มัน เ, เกิดอย่างเดียวไม่ให้มันตายไม่ได้ถ้ามันเกิดแล้วมันก็ต้องมีตายตามมาเวทนามันก็มีสมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างถ้าใจเรารู้ทำความจริงแล้วเราไม่ไปฝืนความจริงไม่ไปอยากให้มันไม่ตายเช่นร่างกายไม่อยากให้มันไม่ตายไปอยากให้มันไม่ตายนี้มันก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่ตายมถึงเวลามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเวทนาก็เหมือนกันเวลามันทุกข์กับเวทนาเกิดขึ้นก็อย่าไปอยากให้มันหาย มันจะอยู่ก็ไปล่อนอยู่ไปมันจะหายเดียวมันก็หายไปแต่เราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากไปยุ่งกับมันพอเราพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายเวทนานี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำนมไฟที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้เสมอ บางเวลาก็สั่งได้แต่บางเวลาก็จะสั่งไม่ได้ yeah. ถึงเวลาที่สั่งไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามความเป็นจริงอยู่กับมันไปถ้าเราไม่มีความอยากเราเรามีสมีสมาธิมีปัญญาหยุดความอยากเราได้เราจะไม่เด um uh, ือดร้อนกับความตายของร่างกายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายไม่เดือดร้อนกับความแก่ของร่างกายเห็นไ อนนี้ผมขาวไม่เดือดร้อนะเมื่อก่อนนี้เดือดร้อนนะต้องคอยย้อมอยู่เรื่อยๆเพราะยังไม่เห็นอริยสัจยังไม่เห็นความจริงของร่างกายว่าเราไปควบคุมมันไม่ได้ผมี่เราควบคุมมันให้มันเป็นสีดําไปตลอดไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลามันก็ต้องเป็นสีขาวต่อให้เราย้อมไปเท่าไหร่มันก็เดี๋ยวก็มันก็โผล่ขึ้นมาอย่นีน แล้วมันก็จะทํำให้เราวุ่นวายไปเปล่าๆไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาเวลาไปทําอะไรที่มีประโยชน์จะดีกว่านี่ก็คือการที่เรามาปฏิบัตินั่งสมาธิและเวลาเกิดอาการเจ็บนี้เราไม่ขยับไม่ใช่เพราะเราต้องการจะเป็นซาดิตต้องการที่จะทรมานตัวเอง เราต้องการฝึกจิตให้รับกับความเจ็บของร่างกายไม่ให้หนีเพราะหนีแล้วมันหนีไม่พ้นมันเป็นเหมือนเงาตามตัวเราขยับตรงนี้เดี๋ยวมันก็พอขยับได้สักพักก็เจ็บอีกละก็ต้องขยับอีกละขยับมันไปเรื่อยมันก็มันก็ไม่หายเจ็บสักทีหายเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ดูนั่ ง, งนี้ไปดีกว่าเดี๋ยวมันหายไปเอง แล้วเดียวมันก็กลับมามันก็เป็นธรรมชาติของมันที่จะต้องไปไปมามาแต่ใจเราจะอยู่กับมันได้ทั้งสองรูปแบบมันมาเราก็อยู่กับมันได้มันไปเราก็อยู่กับมันได้เราก็จะสบายทุกทางใจของเราก็จะไม่มีนี่คือทำไมเราจึงต้องนั่งกั น, นานๆและเวลาเจ็บทำไมเราไม่ควรขยับ เราควรจะขยับที่ใจอย่าไปขยับที่ร่างกายขยับที่ตัวความอยากหยุดมันมันอยากไหมอยากหายอยากลุกอยากเปลี่ยนที่นี้อย่าอย่าเปลี่ยนท่านั่งเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ใจกันที่เราทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะความอยากนี่มันแสนที่จะทรมานใจแต่ถ้าเราหยุดความอยากนี่ได้ความทรมานใจจะหายไป ความลำคาญใจกับความเจ็ดจะหายไปมันจะอยู่เฉยๆกับมันได้อย่างสบายมันได้อุเบกขาไงถ้าเรามีสติคอยคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งให้มันนิ่งจิตก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาพอมีอุเบกขาแล้วมันจะไม่ลำคาญกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกเนื้องายเวทนาก็มาทางร่างกายทางกาย เสียงก็มาทางหูบางทีได้ยินเสียงก็ลาคาญแต่ถ้าเรามีอุเบกขานี่เราจะไม่ลําคาญใครจะชนใครจะด่าเฉยๆใครจะพูดเรื่องไร้สาระเรื่องอะไรฟังแล้วเราก็ไม่ลําคาญแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขานี่เดี๋ยวมันลําคาญไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโพธพะะทุกเวทนานี้ก็มาจากโพธพะะ คือการสัมผัสของทางร่างกายกับของแข็งนานๆมันก็เจ็บขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกใจให้มีอุเบกขาใจเราจะไม่เดือดร้อนถ้ามันไม่มันำคาญแสดงว่าไม่มีอุเบกขาเราก็ต้องเพิ่มสติขึ้นบริกรรมพุทโธให้ถี่ไปเลยอยากไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราํำคาญายิ่งไปคิดยิ่งลำคาญใหญ่ก็อยากจะให้มันหายอยากจะให้มันหยุด เป็นคนพูดคนด่าแล้วเนี่ยพอเนยิ่งไปได้ยินฟังเขายิ่งเรายิ่งยิ่งโกรธยิ่งอยากจะให้เขาหยุดพอเขาไม่หยุดก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่ถ้าเราไม่ไปสนใจกับสิ่งที่เขาพูดแล้วดึงใจกลับมาอยู่ที่อุเบกขาด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเราก็พุโทโธพุโทโธของเราไปเดี๋ยวใจเราก็นิ่งเป็นอุเบกขา แล้วเขาจะพูดยังไงก็ไม่พูดกับเสาเราไปพูดกับเสาดูสักพักเดี๋ยวคนพูดก็เหนื่อยไปเองเพราะเสามันไม่มีปิริยาตอบโต้ อ, อะไรแต่ถ้าเราไปตอบโต้เขาเขาก็ยิ่งมันเขายิ่งด่าเรากลับใหญ่แล้วด่าเขากลับเขาก็ด่าเรากลับเดี๋ยวจะตีกันฆ่ากันได้ น, นี่ก็คือวิธีที่เราจะทําไม่มีอุบเบกานี่มันจะเป็นเหมือนกระดาษ พอน้ำหยดไปบนกระดาษนี่มันจะซึมก็ไปในกระดาษเลยจิตของคนที่ไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ภาวนาไม่มีอุเบกขาพอสัมผัสรับรู้อะไรนี้จะเต้นขึ้นมาทันทีไม่ดีใจก็เสียใจตื่นเต้นขึ้นมาดีใจก็ตื่นเต้นอย่างหนึ่งเสียใจก็ตื่นเต้นอย่างนีง้นี่คือใจของคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้เคยฝึกฝนอบรมด้านจิตตภาวนา ไม่ได้ฝึกเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธพอไปสัมผัสรับรู้กับอะไรนี้ใจมันจะเต้นตื่นเ ต, นต้นขึ้นมาเหมือนกระตายตื่นตัวแต่ถ้ามีการฝึกจิตอยู่เรื่อยๆนี้พอเห็นอะไรมันจะควบคุมใจได้ถ้ามันตื่นเต้นก็ใช้พุทโธพุทโธอยู่มันถ้ามีสติกำลังมากพอก็ไม่ต้องใช้พุทโธถ้ามันเห็นอะไรแล้วมันเฉยอ ไม่ยินดียินร้ยายแสดงว่ามันมีอุเบกขามันไม่รักไม่ชังแต่ถ้ามันไม่มีอุเบกขามันจะเกิดความรักความชังขึ้นมายินดีร้ายขึ้นมาแล้วก็เตแล้วก็ตื่นเต้นดีใจเวลาได้กับสัมผัสกับสิ่งที่รักก็ดีใจใครชมนี่ดีใจยิ้มไปทั้งวันเพราะใครด่าก็หน้าบึ้งไปทั้งวัน <c oughs> พ่าไม่มีอุเบกขาไม่มีสติคอยควบคุมใจเอให้อยู่เฉยๆใจชอบแก่งไปกับความรักความชังแล้วพอเกิดความรักก็เกิดความอยากขึ้นอยากให้เขาชมไปนานๆพอพอเขาด่าก็ชังอยากให้เขาหยุดอยากให้เขาหายอยากให้เขาตายไปพอก็ไม่หยุดก็ทุกข์ พอก็ชมพอก็ไม่พอก็ไม่ชมอยากให้เขาชมพอก็ไม่ชมก็เสียใจพอไม่เข้าใจธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสว่ามันเป็นอันนี้จังอนัตตาอันนี้จังก็คือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนัตตาเราไปควบคุมมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากเราก็จะทุกข์ความจริงอันนี้จังอนัตตามันอยู่กับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้ แต่ทุกเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้สิ่งที่เราสัมผัสรับรู้นี้เป็นไปตามที่เราเป็นไปตามความอยากของเราพอมันไม่เป็นไปตามความอยากของเราเราก็เลยทุกท่านก็เลยเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาแต่ความจริงรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่ทุกหรอกที่ทุกคือใจเรา ทุกเพราะความอยากของเราอยากให้รูปเสียงกลิ่นรสเป็นนั้นนนเป็ิจจังจะไม่เปลี่ยนอันไหนดีก็อยากจะให้มันดีไปเรื่อยๆไม่ให้มันเปลี่ยนอันนั้ตาก็อยากจะควบคุมบังคับมันให้ได้ให้มันเป็นอัตตาให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมของเราไอ้แม่เราทำอะไรนี่พยายามควบคุมมันใช่ไหมสร้างบ้านสร้างอะไรทําอะไรนี่คอยคุมให้มันดีให้มันอยู่ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลง ก็อาจจะคุมได้ปีสองปีสองสามปีเดี๋ยวสีก็เก่าแล้วเดี๋ยวปูนก็หลุดแล้วเดี๋ยวไอ้นั่นก็เสียอันนี้ก็เสียแล้วก็ต้องมาคอยซ่อมเนี่ยอ น, นิจังอนัตตาพอต้องมาซ่อมมาดูแลรักษาก็ทุกข์แล้วสิต้องเสียเงินเสียทองเพิ่มนะรถเสียก็ต้องเอาเข้าอู่ไปซ่อมแบตเตอรี่หมดก็ต้องเปลี่ยนแบตใหม่ยางล้อหมด ดอกหมดก็ต้องเปลี่ยนยางใหม่อของทุกอย่างมันนิจจังมานน่าตามันถึงทำให้เราทุกข์งังถ้าทุกอย่างมันนิจจังอัตตาก็สบายซื้อรถมาปับ๊บแล้วก็ใช้ไปจนมันตายเลยไม่มีเสียไม่ต้องเข้าซ่อมไม่ต้องอะไรไม่ต้องเติมน้ามันได้ยิ่งดีอ่ะจ่ายคนเดียวแล้วก็ใช้ไปมันนี่เรียกว่านิจจังใช่แต่ไม่ไม่เป็นนิจจังมันเป็นอนิจจังน้ำมันต้องคอยเติมอยู่เรื่อยไห เราเต็มถังวันสองวันเอาหมดเลยละนี่จังนะทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่เราถึงชอบไปยุ่งกับมันนะก็อย่าไปมีรถไม่ได้เหรอกนที่เขาไม่มีรถเขาก็ไม่เดือดร้อนอย่างเนี้เราก็ไม่เคยมีรถใช้รถคนอื่นสบายกว่าไอ <c oughs> <c oughs> เขาเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อน <c oughs> <c oughs> คนจะลา <c oughs> เขาไม่มีรถ <c oughs> เขาใช้ของคนอื่นดีกว่าใช่ไมก็ ใช้แท็กซี่ก็ได้ใช้รถเมย์ก็ได้เอสบายกว่าเยอะแยะไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาของที่มันเป็นอนิจจังชอบให้มันเป็นให้มันเป็นนิจจังให้มันเป็นถาวรเนี่ยถ้าเรามันพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังสัพเพสังขาราณิจจาสังขารก็หมายถึงของที่ประกอบขึ้นมาทุกอย่างที่เราใช้นี่เป็นของที่มีส่วนประกอบนันนะ ร่างกายเราก็เป็นส่วนประกอบของดินน้านมไฟกระเป๋านี่มันก็เป็นส่วนประกอบของผ้าของซิปของอะไรทุกอย่างมันเป็นส่วนประกอบขึ้นมาทั้งมันเป็นสังขารสัพเพสังหระสังขารานิจารของอะไรที่มีการประกอบขึ้นมามันจะต้องมีการชํารุดทุดโรมมีการเสื่อมเพราะสิ่งที่มาประกอบกันมันจะแยกออกจากกาันร่างกายของเราเนี่ยประกอบขึ้นด้วยดินน้า น, านมไฟ เดี๋ยววันหนึ่งมันก็ขอแยกทางกันดินก็จะไปสู่ดินน้าก็ไปสู่น้าลมก็ไปสู่ลมไฟก็กลับไปหาไฟแล้วตอนนั้นร่างกายก็จะหายไปร่างกายที่เรียกว่าเรานี่ก็จะไม่มีอีกต่อไปถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเราจะไม่ยึดไม่กิดกับสังขารทั้งหลายเพราะสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันจะต้องสลายหายไป กระเป๋านี่มันก็จะแยกกันไปซิปก็ไปทางหนึ่งผ้าที่ทำกระเป๋าก็ไปทางหนึ่งมันมันมันมารวมกันชั่วคราวถ้าเราไปอยากให้มันถาวรเราก็จะทุกข์เพราะเราควบคุมมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเมันพิจารณาทุกอย่างว่ามันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วมันจะทำให้เราอยู่แบบ มากน้อยสันโดดได้เพราะว่ามีมีน้อยเท่าไหร่ก็ทุกยิ่งน้อยก็เท่า น, นั้น ม, มีมากก็ทุกมากเพราะของที่เรามีมันทุกเนี่ยมันเป็นสังขารนั่นเป็นทุกมีหนึ่งชิ้นก็ทุกหนึ่งอันมีสองชิ้นก็ทุกสองอันอมีรถคันหนึ่งกับรถสองคันเนี่ยอะไรมันทุกมากกว่า ก, กันน่คนที่มีรถคันหนึ่งกับคนมีรถสองคันเนี่ยใช่ไหม แต่คนไม่ฉลาดกับคิดว่ามีสุขมีรถสองคันมีความสุขสองเท่าแต่ไม่เห็นว่าความสุขมันก็มีความทุกข์ตามมาด้วยเหมือนกับเหรียญเนี่ยมันมีสองด้านใช่ไหมไม่ใช่มีแต่หัวอย่างเดียวมันมีก้อยด้วยแต่คนไม่ฉลาดจะเห็นว่าเห็นเห็นมีแต่หัวอย่างเดียวไม่มีก้อยเห็นว่าทุกอย่างที่ชอบนี่เป็นสุขได้มาแล้วจะมีความสุขมีคนหนึ่งเล่า มีความสุขสู้สองคนไม่ได้ใช่ไหคนบางคนมีภรรยามีสามีสองคนสามคนอมีคนเดียวแล้วมันสู้สองคนไม่ได้แต่พอมีสองคนก็ปวดหัวสองเท่าเลยมีเรื่องสองเท่าดังนั้นมีมีสุขเท่าไหร่มันก็จะมีทุกข์เพิ่มมาท่านั้นเพราะมันเป็นสุขเป็นสุขชั่วคราวมันจะมันจะกลายเป็นทุกข์ เพราะมันไม่เที่ยงไงความสุขชั่วคราวองค์พระเจ้าถึงไม่ได้สอนให้ดูความสุขเพราะพวกเราดูความสุขกันตลอดเวลาไม่ยอมดูความทุกข์กันเลยสอนให้พวกเรามาดูความทุกข์กันความทุกข์ในสิ่งที่เราว่าเป็นสุขนั่นแหละของอะไรที่เราว่ามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนะพราะว่ามันไม่เที่ยงมันสุขเดี๋ยวเดียวแต่งานกันไม่กี่เดือนก็ทะเลาะกันละความสุขที่ได้ จากการไม่รักกันก็หายไปลพอทะเลาะกันนี่ก็กลายเป็นศัตรูกันขึ้นมาทันทีนี่คือปัญญาถ้าเรายังหยุดไม่หยุดใจให้ไปหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้สติสร้างสติขึ้นมาพยายามพุโทโธพุโทโธบ่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นต้องพุโทโธไปทั้งวันเลย ในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทธโธไปแต่ถ้ามันไม่คิดอะไรเราก็ไม่ต้องพุทธโธก็ได้ดูดูไปดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรถ้ามันอยู่กับร่างกายมันไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพุทธโธแต่ถ้ามันทำไปแล้วก็ไปคิดนู่นคิดนี่ก็ใช้พุทธโธดึงกลับมาแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะสงบง่าย แล้วสงบแล้วจะมีอุบเบกขามีความสุขจะทำให้ไม่หิวไม่อยากได้อะไรแล้วก็จะมักน้อยได้จะมีน้อยน้อยได้คือจะไม่มีอะไรเลยแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่มีก็ได้ตอบถ้าใจมีความสงบตลอดเวลาต่อไปก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเราสามารถหาความสุขได้จากสมาธิและปัญญา พระพุทธเจ้าภาษาวลกทั้งหลายเนี่ยท่านเลไม่ต้องกลับมามีร่างกายเหม่เพราะท่านสามารถสร้างความสุขภายในใจได้ตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงใจมีความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายผ่านไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปทำอะไรต่างๆไปเที่ยวไปอะไรไม่ต้องใช้ร่างกายฉั้นมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็เหมือนกัน ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะอยู่กับมันได้อยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อยู่กับความตายของร่างกายได้เียถ้ามีสมาธิมีปัญญาสองตัวนี้สมาธิจะมีได้ก็ต้องมีสติต้องมีสติกับปัญญาสมาธิเป็นผลที่เกิดจากการมีสติเนีย่ยเรามักจะพูดสติปัญญามีสองตัวนี้แล้วก็ ทุกอย่างก็จบปัญหาต่างๆทั้งหลายคือความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปหมดใ น, นขั้นต้นเราต้องฝึกสติก่อนฝึกสติจนใจเป็นสมาธิแล้วเราก็มาสอนใจให้มีปัญญาให้มองทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นจจังเป็นนิจังสุขขังเป็นอัตตา มันจะเป็นได้ชั่วคราวเท่านั้นของทุกอย่างมันจะให้ความสุขเราชั่วคราวช่วงช่วงที่เราได้มาใหม่ๆแต่ต่อไปมันก็จะเสื่อมไปเปลี่ยนไปแล้วความสุขนั้นก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เราจะไม่ทุกข์เราก็จะไม่ไปอยากได้อะไรอยู่ อยู่กับความว่างได้นิพานปรมังสุญญ์ยางใจที่ไม่มีความอยากนี่อยู่กับความความว่างได้เป็นความว่างอยู่กับความว่างได้อย่างมีความสุขนิบานังปรมังสุขขังใจที่อยู่กับความว่างได้จะมีความสุขอย่างยิ่งความว่างของใจก็คือไม่มีความอยากได้อะไร ไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรอยู่เฉยๆไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีมีก็ไม่ใช้มันไม่ใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขนพอมันหมดก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ก็ไม่มาเกิดใหม่เมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาทุกข์พอเกิดปั๊บเนี่ยทุกข์ออกมาจากท้องแม่ก็ร้องนะไม่ด้หัวเราะกันเนี่เวลาเกิดมาเนี่ย เวลาเด็กออกจากค้อดออกมานี่เด็กคนไหนหัวเอกมบ้งมีแต่ร้องถ้าร้องก็แสดงว่าทุกข์แล้วเพราะเวลาอยู่ในท้องแม่สบายไม่ต้องหายใจออกมาจากท้องแม่นี่ต้องหายใจอากาศก็เปลี่ยนละอยู่ในท้องแม่นี่อากาศสบายกำลังดีอุณหภูมนะิพอดีกับของร่างกายพอออกมานี่อุณหภูมิมันจะเย็นหรือร้อนนะ อแล้วเดี๋ยวก็หิวน้ำแล้วหิวนมแลวปวดฉี่แล้วร้องอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมพ่อแม่ที่มีลูกใหม่เนี่ยทรมานมากจะนอนนี่นอนไม่เป็นเรื่องเป็นราเลยเดี๋ยวก็ร้องขึ้นมาตีหนึ่งตีสองปวดฉี่ก็ร้องหิวก็ร้องพ่อแม่ก็ต้องลุกขึ้นมาเป็นอะไรวะเอานมมอ่ะไม่เอานมก็ฉี่ เดี๋ยวพอได้ดื่มนมมันก็หลับต่อไปเนี่ยมันสศกแล้วมันทุกข์เลยร้องตลอดเวลาการเกิดมามันทุกข์ตั้งแต่ตั้งแต่ออกมาจากท้องแล้วก็ทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้เรียนหนังสือก็ทุกข์กับการเรียนเห็นเรียนจบก็ทุกข์กับการหางานได้งานมาก็ทุกข์กับการทํางานได้รายมาก็ต้องทุกข์กับมัน ได้ครอบครัวก็ต้องมาทุกข์กับครอบครัวแล้วเนายไสามีได้ภรรยามาหาความทุกข์กันทุกทุกช่วงจังหวะของชีวิตเลยเพราะคิดว่ามันเป็นความสุขเนี่ยเพราะไม่มีปัญญามีแต่อวิชชาอาวิชชาก็คือไม่มีปัญญามองไม่เห็นความทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหากันมองไม่เห็นว่ามันเป็นสังขารอนิจจา มองไม่เห็นว่ามันเป็นสังขารทุกขะมองไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาก็เลยคิดว่ามันเป็นสุขกันแย่งกันหาความทุกข์กันเนี่ยเวลาไปแย่งซื้อข้าบซื้อของตามร้านนี่ก็ไปแย่งซื้อความทุกข์กันเนี่ยพอได้กลับมาก็ทุกข์กับของที่เราได้มานี่ใช่ไหมแย่งกันเหยียบกันตายบางทีมีสินค้าใหม่ออกมานี่แย่งกันไป แย่งกันพอมาซื้อมาใช้สักพักเสียแล้วพอเสียก็ทุกข์แลเนี่ยเรากำลังแย่งหาความทุกข์กันเพราะเราไม่มีปัญญาไม่เห็นว่าทุกอย่างที่เราหากันในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งหมดทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยลมันดีชั่วคราวมันให้ความสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปหมดไปเวลามันเปลี่ยนมันหมดก็ร้องห่มร้องไห้กันเดือดร้อนกัน เห็นไหมคนซื้อรถนี่บางทีซื้อแล้วก็ต้องมาประจานบริษัทขายรถนะซื้อมาแล้วต้องเข้าอู่อยู่เรื่อยเข้ากี่ครั้งมันก็ไม่หายสักทีซ่อมกี่ครั้งก็ไม่หายจะต้องมาทุบรถต่อหน้าอู่นะถึงจะได้รถใหม่นะ <c oughs> ตอนนั้นทุกข์รุนแรงซื้อรถมาแล้วต้องมาซ่อมอยู่สามวันดีสี่วันไข่อยู่เนี้รำบริษัทก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้พยายามซ่อมให้อยู่เรื่อย ถ้าไม่สามัญก็กลับเข้ามาใหม่อะไรไม่ดีก็ไปโทษคนขับไปว่าคุณขับไม่ดีองลงเขาทำมาดีลองสังเกตดูของทุกอย่างที่เราอยากได้หรือได้มาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอะไรต่อไปมันกลายเป็นขยะ ก, ก็ทุกข์ลวเก็บไว้ในบ้านไม่ได้ของเวลายัง เวลาซื้อของเครื่องดื่มมาเวลามีเครื่องดื่มเก็บไว้ในรถได้เนะ่ยพอดื่มหมดแล้วเก็บไว้ไม่ได้ต้องโยนทิ้งข้างถนนเลยทาไมต้องไปทิ้งมันด้วยมันก็เป็นของอันเดิมอยู่เพียงแต่ ไ, ไม่มีของไม่มีน้ําให้ดื่มนช่ไหมทำไมไม่เก็บไว้ไปใส่ในถังขยะเพราะมันลาคาน ล, ละเพราะมันเป็นขยะก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ละแต่บ้านเมืองก็เกลื่อนด้วยขยะก็ทำไมเวลาไปซื้อมา ไปซื้อเนี่ยลานได้แตาเวลาจะไปทิ้งมันไปทิ้งในถังขยะไม่ได้ความมากักงคายของคนความขี้เกียจความอยากจะเอาสุกง่ายๆเร็วๆความอยากที่จะกาจัดความทุกข์แบบง่ายๆเร็วๆพอมันเป็นขยะปั๊บก็โยนทิ้งไปเลยขับรถไปโดนทิ้งออกไปหน้าต่างไปเลยลองไปเดินตามถนนดินไปข้างถนนนี่ขยะเต็มไปหมด ขวเอ้ยอะไรเอ่ยพอกินเสร็จก็โยนทิ้งไปหมดบางทีมาบนเขานี่ก็เหมือนกันบางคน ouais. ไม่มีส nee ติกินเสร็จก็ทิ้งมันแถวนี้ไอ้แม่ของที่มันเป็นสุขกลายเป็นทุกข์ละถ้ามันสุกเราจะเก็บแล้วเราก็ไม่ทิ้งมันใช่ไหมที่ทิ้งเพอามันเป็นทุกข์ละเห็นแล้วก็รำคาญตาเนี่ยอันที่เสียเงินซื้อมาแท้ๆเนี่ย พอมันน้ำมันหมดแล้วแต่ขวดมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่กระป๋องมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่มันกลายเป็นของที่เราไม่ต้องการเช่ไหมล่ะกลายเป็นทุกข์ไปใช่ไหล้วเนี่ยมองให้ดีทุกอย่างมันเป็นทุกข์ไปหมดมีอะไรมันเป็นทุกข์ไปหมดทังนอย่าไปมีดีที่สุดจะมีจะไม่มีได้ก็ต้องมีสติคอยหยุดความอยากเพราะถึงแม้ว่าจะมีปัญญาแต่ถ้าปัญถ้า สติไม่ทันความอยากก็หยุดความอยากไม่ได้ดั้นเราต้องมาฝึกสติให้มันทันความอยากพอมันอยากเราก็หยุดมันได้ ถ, ถ้าไม่หยุดก็แสดงว่า sure, สติเราไม่พอก็พุโทโธพุโทโธไปช่วงที่มันยังอยากก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไปไปนั่งสมาธิแทนแทนที่อยากจะไปดื่มกาแฟาก็ไปพุโทโธพุโทโธแทนแทนที่อยากจะเปิดดูละครก็พุโทโธพุโทโธแทนต่อไปความอยากดูละครมันจะหายไป ความอยากดึ่งกาแฟมันจะหายไปแล้วเราจะไม่ต้องมาทุกกับการหากาแฟมาดื่มไม่ต้องทุก์กับการรอดูละครนี่คือเรื่องของการปฏิบัติตอนนี้เราขาดสติขาดปัญญากันเราไม่ค่อยหยุดความคิดกันคิดก็คิดไปในทางความหลงคิดว่าดีคิดว่าเป็นสุขคิดว่าเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาใช่ไหม เห็นอะไรก็คิดว่าเป็นสุขจะอยู่กับเราเป็นนานๆานจะเป็นของเราไปตลอดแต่งงานมีแฟ น, นก็ต้องคิดว่าเขาจะให้ความสุขเราไปตลอดจะอยู่กับเราไปตลอดจะเป็นของเราไปตลอดแล้วพอเกิดเขาไม่เป็นปายปับ๊บก็ร้องห่งร้องไห้เศร้าโศกเสียใจความสุขก็กลายเป็นความทุกข์เพราะเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากดีเป็นไม่ดีเปลี่ยนจากของเราไปเป็นของคนอื่นไป ไม่คิดกันพอเห็นอะไรคิดว่าจะต้องอยู่กับเราเป็นของเราจะดีไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่มีอะไรในโลกนี้ถ้าลองดูจริงๆสังเกตดูจริงๆแล้วทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆมีมามีไปมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียให้ดูให้ได้แล้วจะได้ฝึกจิตไม่ให้ไปพึ่งสิ่งเหล่านี้ ถ้าต้องพึ่งมันแล้วก็ต้องทุกข์เวลามันไม่มีเวลามันหมดนคนในโลกนี้ก็พึ่งลาบยศสรรเสริญพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผุดเถพะที่เราเรียกว่าโลกธระทำโลกธรรมมีสี่มีสี่คู่ลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลื่นกายมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเวลาได้ลาบ ก, ก็เรียกว่าเจริญเวลาลาบหมดก็เรียกว่าเสื่อม เวลาได้เงินมาเงินเดือนออกก็ได้ลาบพอใช้ไปไม่กี่วันเงินเดือนหมดแล้วเสื่อมไปหมดแล้วพอเงินหมดก็เป็นไงสุข ก, ก็หายไปทุ ก, ก็เข้ามาแทนที่ยศตาแหน่งก็เหมือนกันเวลาได้แต่งตั้งก็ดีใจพอถูกเ้าปลดออกก็เสียใจสรรเสริญเวลาเขาชมก็ดีใจเวลาเขาไม่ชมหรือ เ, เขาตำหนิก็เสียใจ ความสุขที่เราได้จากการเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสเช่นกาแฟเครื่องดื่มขนมน ม, นมเนย เ, นเวลาได้สัมผัสได้กินได้ดื่มก็มีความสุขเวลามันไม่มีให้ดื่มก็ทุกโลกธรรม8เรียกว่าลาบยศสรรเสริญสุขเป็น4ี่คู่คู่แรกก็คือเจริญลาบเสื่อนลาบเสื่อมลาบคู่ที่สองเจริญยศเสื่อมยศคู่ที่สาม จเจริญสรรเสริญก็มีนินทากูฏีสี่ 4, ก็มีสุขก็ต้องมีทุกข์สลับกันไปแต่เราจะเอาแต่จเจริญอย่างเดียวจะเอาสรรเสริญอย่างเดียวไม่เอานินทาจะเอาสุขอย่างเดียวไม่เอาทุกข์พอไปเจอสรรพอไปเจอนินทาก็ทุกข์ขึ้นมาพอไปสูญเสียสิ่งที่เราสัมผัสทางตาหูจมูกนิ้วกายก็ทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่ไปเสพพวกนี้เราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขนี้เราจะไม่ทุกข์ให้เรามาหาความสุขจากความสงบดีกว่าความสงบนี้เป็นความสุขเนือความสุขทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีพวกเราไม่เคยเจออันนี้กัน ถ้าเจออันนี้มาหลายแล้วก็จะเริ่กหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะได้จะได้อันนี้ก็ต้องมีสตินี่แหละฝึกสติไปได้ประโยชน์หลายอย่างได้หยุดความอยากพอหยุดความอยากใจก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขทําให้ไม่ต้องการอะไรทําให้ความอยากหายไปถ้าไม่มีสติแล้วมันก็หิวไปเรื่อยๆคิดถึงอะไรก็อยากขึ้นมาเรื่อยๆ เราต้องพยายามควบคุมความคิดอยากปล่อยให้มันไปคิดทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะถ้าจะคิดให้มันคิดในทางเสื่อมคิดถึงลาบก็ต้องคิดตอนที่มันเสื่อมคิดถึงยศก็ต้องคิดตอนที่มันเสื่อมคิดถึงสารเสริญก็ต้องคิดถึงนินทาคิดถึงสุขก็ต้องคิดถึงทุกข์ที่จะตามมาถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะหดความอยากที่จะไปหาลาบยศสารเสริญสุขมันก็จะหด มันกลับมาหาความสงบไม่ดีกว่าหานัติสันติะลังสุขขังดีกว่าหารถแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงดีกว่าเนี่ยเนี่ยลถแห่งธรรมก็คือลถของความสงบเนี่ยที่เป็นที่ชนะลถทั้งปวงลถทั้งปวงก็คือลถของลาบรดสรรเสริญลถของรูปเสียงกลิ่นลดผดทธพะที่พวกเรากำลังหาก็อยู่ทุกวันนี้มันเป็นยาพิษแต่เราไปคิดว่ามันเป็นขนมเป็นของหวาน เป็นเหมือนกับน้ําทิพตแต่ความจริงมันเป็นยาพิษนะพอไปดื่มเข้าไปแล้วแสลงสลงใจใจนี่ทุกข์เวลาเสื่อมร่างทุกข์กันเสื่อมยศนี่ทุกข์กันเวลาเสื่อมสรรเสริญนี่ทุกข์กันเสื่อมสุขก็ทุกข์กันพราะของมวกนี้มันต้องเสื่อมมันไม่เจริญอย่างเดียวมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นสัพเพสัสงขาระอนิจจามันไม่เที่ยง สัพเพสังขารานัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงไปสั่งให้มันเกิดอย่างเดียวจเจริญอย่างเดียวไม่ได้งั้นอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่ามาหาสิ่งที่เป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาดีกว่านี่แหละคือความสงบนี่แหละเป็นนิจจังสุขขังอัตตาจริงๆเป็นถาวรถ้าเรารู้จักทําใจใสงบได้เราจะสามารถทําให้มันสงบได้ตลอดเวลา มันจะเป็นความสงบเป็นความสุขที่ถาวรมันเป็นอัตตามันจะเป็นของเรามันจะอยู่กับเราไปตราบนีหลังไม่มีวันจากเราไปเนยนิพพานังพลมังสุขังเนี่ยความสุขของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยมันเป็นอเนะมันเป็นมันเป็นอะไรถาวรมันเป็นไม่มีวันสิ้นสุดมันอยู่ไปตลอดเพราะว่ามันอยู่กับใจ เกิดขึ้นในใจใจเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาด้วยการใช้สติใช้ปัญญาพอมีสติมีปัญญาแล้วก็จะสามารถทำให้ใจสงบไปได้ตลอดไม่มีวันที่จะหมดนี่พระพุทธเจ้ากใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระสาวกนี่ท่านมีปรมังสุขขังตลอดเวลาส่วนใจของเราตอนนี้มีแต่ปรมังทุกขังันตลอดเวลา ทุกกันตลอดเวลาตต่นขึ้นมาแต่ละวันก็มีเรื่องทุกข์กันให้ให้มาทุกข์กันอยู่เลยไม่ทุกข์กับเรื่องอากาศก็ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับร่างกายก็ทุกข์กับเงินทองไม่ทุกข์กับเงินทองก็การงานไม่ก็ทุกข์กับคนนั้นคนนี้มีเรื่องทุกข์ตลอดเวลาเนื้อใจของพวกเราต่างกับพระเจ้ารงเนี้ตรงที่ของท่านเป็นปรมังสุขังของพวกเราเป็นปรมังทุกขขัง แต่จใจของท่านกับใจของเราก็ไม่ตายเหมือนกันแตจใจของท่านไม่ทุกข์ใจของเราทุกข์เพราะเราชอบเดินเข้าหาทุกข์กันเราชอบมาเกิดกันพอมาเกิดก็มีเรื่องตามมาเป็นทววเลยไมเป็นขบวนเลยเป็นลูกโซ่เลยออกมาทุกอันแรกก็ถือต้องหายใจเองนะพอออกมาจากท้องแม่ก็ร้องนะต้องหายใจพอไม่ร้องแม่ก็ต้องตีก้นให้มันหายใจ ถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นนี่คือความทุกข์อันแรกก็ต้องหายใจอยู่ในท้องแม่นี้สบายไม่ต้องหายใจแม่หายใจให้แม่หาน้ำให้หาอาหารให้มีเสื้อผ้าของแม่หุ้มห่อไว้ให้ออกมาข้างนอกท้องแม่แนละ้วที่ต้องหาทุกอย่างม า, มาสวมใส่นะแล้วาขาสิ่งในสิ่งหนึ่งก็ไม่สบายขึ้นมาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา แล้วต่อให้เลี้ยงดูยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องต้องแก่กเดี๋ยวต้องเจ็บไข้ได้ป่ยวยเดี๋ยวก็ต้องตายก็เนี่ยนี่คือปัญหาตา่างๆตามมาถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราจะถูกกวิชาหลอกให้เรามาเกิดอยู่เรื่อยๆมาหาสิ่งต่างๆเพราะเราจะคิดว่ามันเป็นสุขกันมาหาลาบยศสรรเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะกั น, กนงั้นพยายามฝึกสติฝึกปัญญาให้มาก สติกพ็พุโทโธพุทโธให้ใจสงบให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาเพื่อจะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงเมื่อเรามีรสแห่งธรรมแล้วเราก็จะได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับรสแห่งธรรมลาบยศสารเส ร, เริญรูปเสียงเกล่นรสนี่มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเราก็จะได้เลิกไปหามันเลิกไปยุ่งกับมันเราก็จะอยู่กับรสแห่งธรรม เพียงอย่างเดียวคื อ, อยู่กับความสงบทุกครั้งเกิดความอยากก็หยุดมันด้วยปัญญา่ากำลังไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้ถึงแม้มันจะเป็นสุขกแบบ็สุขแบบเดียวเดียวสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนะพอไปฮุบเหยื่อแล้วเป็นไงทุกทุกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเจ็บไหมช่วอย่าไปฮุบดีวกว่านี่เกิดเรื่องของการมาปฏิบัติธรรมกัน ให้ปฏิบัติก็สองตัวนี้ศีลกับ ส, สติกับปัญญาแต่ก็ต้องอาศัยศีลเป็นตัวสนับสนุนห้ า, าไม่ให้ไปทํากิจกรรมอื่นๆให้ทํากิจกา ร, รอันนี้อันเดียวเดินสติกับปัญญาเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วเพื่อทําใจให้สงบหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปพอหมดความอยากแล้วทีนี้ก็ใจก็จะเป็นปรมังสุขขังขึ้นมานะ เป็นได้ทุกคนไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวช ม, ม, มันไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้อยู่ที่สถานภาพมันอยู่ที่การปฏิบัติสติปัญญาสองตัวนี้ถ้ามีสติปัญญาสองตัวนี้ก็เป็นได้เป็นพระอาหารหันต์ได้ไปนิพพานได้ไม่ต้องบวชก็ได้บวชแล้วไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับไม่ได้บวชแต่ถ้าปฏิบัติแต่ไม่ได้บวชนะก็เหมือนกับบวช ฉะนั้นอย่าไปกังวลเรื่องผ้าเหลืองหรือผ้าสีอะไรในชะ่ไหมขอให้กังวลว่าเรามีสติหรือมีปัญญาหรือไม่นะถ้าไม่มีรีบสร้างกันขึ้นมามองอะไรต้องเห็นมองด้วยปัญญาว่าเป็นทุกข์นะไม่ใช่เป็นสุขถ้ามองเห็นอะไรเป็นสุขเห็นอะไรดีนี่แสดงว่าหลงนะจําคํานี้ไว้นะนเวลาเห็นอะไรชอบปั๊บเนี่ยหลงแล้วนะพออยากได้ขึ้นมาเนะี่ยบอกกําลังไปหายาพิษแล้วนะกําลังเข้าหางูเห่าแล้วนะ ไม่ใช่ปลาไหลนะบอกให้รู้ก่นอนก็ไปคิดว่ามันเป็นปลาไหลพอไปจับมันถูกมันกัดเอามันแผ่แม่เดียวนะนี่คือเรื่องของสติเรื่องปัญญาต้องมีสติก่อนปัญญาถึงจะเดินได้ต้องมีความสงบใจสบายก่อนมีความสุขก่อนถ้าไม่ไงั้นมันจะหิวจะโหยมันจะไม่ใช้ปัญญามันจะใช้อวิชชาใช้ความหลงเห็นอะไรก็ว่าดีไปหมด แต่พอมีความสุขในใจมีสติทำให้ใจสงบล้วมันจะคิดได้มันมีทางเลือกแล้วว่าความสุขในใจกับความสุขนอกใจอันไหนจะดีกว่ากันอันนั้นก็มาใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะได้แล้วเราก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบเราก็จะตัดความอยากหาความสุขภายนอกไปทั้งหมดเลิกหาลาบยศจลเสริญเลิกหารูปเสียงกลิ่นรสไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวสบาย เอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติว่าความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถัดจะให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิ อิจิตังปฏตติตังตุมหังเกิปะเมวะสวิตเจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาอระโสยถามะนิโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวาจานตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภาวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภะวะ นาพิวาทนัสีลิสะนิจจังุธาประจายโนจตารโธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังอันนี้มีผู้ติดตามได้เท่าไหร่นะตอนนี้เหลือสองร้อยห้าสิบสองค่ะตอนเริ่มต้นนะเนี่ยตีบ ส, สูงสุดเนี่ยสามร้อยหกสิบค่ะก็ยังพอเอาได้นะย แล้วทาง YouTube เท่าไหร่ YouTube สูงสุด64คะ่ะออโเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมอาจารย์เนี่ยถามต่อนเร่อนดะกินนะคะต อ, อันจิตสุดท้ายอะค่ะตันจิตเลยคือลมพูดโถก็ยาวไปก็จะกำหนดจิตอยู่พิโลมก็จะมีคำสอนของพระอาจารย์ถ้าอย่างใจอยู่ก็ไม่ตายไงกำหนดจิต ถ, ถิดลมแล้วก็ใจก็ใส่ดีค่ะ โอก็แล้วแต่เวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นกล้ตายขึ้นมามันจะเป็นไก่ตื่นตื่นเวทีหรือเปล่าไม่ตอนนั้นก็คือว่าเวทนามันมันสุดแล้วไม้เิล่งนแปลงคือวิกฤตแล้วถ้าเราคิดว่าเราเจอขั้นขั้นสุดท้ายแล้วเราเราผ่านไปได้มันก็ผ่านได้ หมาวถึงวางจิตทั้งนั้นถูกใช่ไหมอ่าให้นิ่งจิตนิ่งเฉยเจ็บจิตจะอยู่กับลมไอ่าอยู่กับลมไปเรื่อยๆเจ้พูดเถะก็ไม่ไหวอ่าไม่ต้องพูดโถก็ได้เร็วลมไปใจจิตอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ไม่ตายก็แล้วกันไม่รู้สึกเลยปล่อยมันมันจะตายก็ปล่อยมันตายจะทำสอนอาจารย์มาเถอะจะบอกแค่นั้นตายจะเอานะอหายจะเอาไปเได้ได้ทั้งนั้นอ่าเราเฉยๆใจเราเป็นกลางไม่เลือกที่รักมากที่ชัง อยู่ก็ได้ตายก็ได้อย่างนั้นตายอย่างนั้นก็ไปดีไปสงบไปสบายเราก็สงบไม่ใช่ตอนนั้นสงบมากสงบมากไม่ตื่นเต้นใจใจสวยมากน<จ>ั่นแหละตอนนั้นก็ใช้ได้อโอเคก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆอย่าประมาทต้องไปแน่ๆอย่างน้อยเราได้ซ้อมนละเหมือนกันได้ได้ขึ้นเวทีมาครั้งแล้ว เดี๋ยวครั้งต่อไปขึ้นเวทีก็จะไม่ตื่นนะแต่คนที่ยังไม่ขึ้นเวทีนี่ยังไม่ดูหมอาถามว่าทำไมทนอยู่ได้หลายวันก็บอกว่าคือทนได้เพราะว่าก็าพูดโถวไปเรื่อยๆนะแล้วก็ มันก็ปวดก็รู้อยู่สาวันหอบอกปกติสามวัมันตายแล้วนะแต่มันก็อยู่ได้เพราะใจเราไม่ตื่นเต้นตกใจเลยกับมันเจอหมอวิเคราแล้วพวกที่ไม่มีสตินี่พอเจอความเจ็บมากๆนี่มันไปแล้วมันทิ้งสังขารมันทนไม่ไหวแต่ถ้าคนมีสตินี่ประคับประคองได้จิตจะนิ่งเฉยๆไปอยู่กับมันไปนี่แะประโยชน์ที่ได้จากการที่เรามาฝึกนั่งสมาธิกันเวลาเจ็บเราก็ไม่ขยับ ทำให้จิตเราเฉยแล้วต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆมันก็จะเฉยไม่มันจะไม่ทรมานใจเรื่องฝึกถือศินแปดนี่นี่ก็เป็นว่าจะบอกว่าฝึกอย่างเงี้ยทางวิธีการรักษาคือหมอเขาเห็นแล้วทนได้เขาจะไม่บาดัดแต่ว่าก็คือต้อง ให้อาหารเลยอ่าเราก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่ไม่เดือดร้อนเลยนะใช่คือน้ําข้าวเลยจะไม่มีข้าวคือแม่อะไรเขไปในปากเลใช่ตลอดเวลาที่รักษาอยู่ออก็อยู่ได้ได้เพราะจิตเรานิ่งจิตเราสงบเรามีสติมีสมาธิแล้วใจไม่หิวร่างกายพระพุทธเจ้าอดได้ตั้งสี่สิบเก้าวันเพราะท่านมีสมาธิใจไม่หิวปล่อยให้ร่างกายอดได้เอแล้วก็มีอยู่ พอสักเจ็ดวันก็จะเลือผิวออกว่าถ้าเป็นเจ้ากรรมในเวรมาจะให้หมดอายุแค่นี้ก็ก็จะไม่ได้ทําบุญแล้วแต่ว่าถ้าอยู่ต่อก็จะทําบุญต่อก็ลูกคุณทางสมาธิอนั่งสมาดีปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเกิดมันรู้สึกเห็นเป็นฝีเลยในท้องเนี่ยนะก็จะรู้เฉยไปเรื่อยๆฮะเฉยไปก่อนหนามันก็แตกแล้วมันก็เย็นอจะเย็นเสร็จก็รู้สึกมันหายปวดเไม่ปวดก็นอนเลยอสบาย ก็จะมีมีอันเนี้ยไม่ทราบไม่ทราบอะไรก็จะมีรูปพระมาเป็นรูปพระพุทธรูปโบราณก็รู้เฉยๆก็รู้ละเขาก็จะมีเสียงมาบอกว่าวปตาเลไลผมก็บอกว่าเคยได้ยินแต่ไม่เคยไปทำบุญก็พูดละพอสักพักนึงเขาก็บอกอีกว่าออกจะกโรงพวาาให้ไปทำบุญเลยนะอผมกไปช่จะได้ออกเลยเหรออะไรประมาณนี้อ่ะพอรุ่งขึ้นมันหายปวดเลย หายเลยลมันเย็นมันแตกแล้วมันเย็นมันหายปวดเลยก็เลยก็เลยปรหม่าปหมอกต้องบอกว่าเดี๋ยวถ้าถยาครบกอดก็ออกไปรักษาต่อที่บ้านยังไม่ผ่าก็เลยไปทําบุญให้เขาแต่หนูก็ไม่รู้จะทาบุญยังไงหนูก็ไปปล่อยกันใจไม่ใชเฉยก็ทําบุญไทยแล้วก็ไม่ต้องบอกใช่ไหมหนูก็ไม่ต้องบอกแลไม่ต้องแลพอดีมาอ่านของหลวงตาหลตาบอกว่าเวลาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี้ยพวกต้อจิตเป็นอย่างนี้ก็ต้องการบุญก็จะมา แล้วก็อุทิศไปบอกใครมาขอก็ขอรับส่วนบุญนี้ไปกันแล้วกันบอกไม่รู้เป็นใครแล้วแต่ใครที่มาในนิมิตก็ขอให้ท่านมารับช่วยมุนี่ไปกันล้วกันอไม่รเรราห่ามารั่วน่แล้วกันบอกไม่้เป็นใคแล้วแ่ใคร่มานนมก็อหานมัสนบุญน่ไปกแกักไม่รู้แแต่ใค่มามก็ขอใหทารั่นบุญไกัล้กนบไม่รน้่าในก็อม่่ แล้วก็นัดจนเกิดแพ้หายดีแล้วก็มาผ่าเพราะว่าก็เจออีกก็พอเข้าบอกหลังบอกทั้งคันแล้วก็แล้มันแข็งไปทั้งตัวเลยคือมันจ่ชาในตอนแรกตอนนั้นก็จิตจิตไม่สงบกันยองจิตเขาจะตักหนึ่งแบบเอ้าไม่ตายได้เยดิงแต่จะตายได้หาสลบก็ยอมก็หลับไปเลยอก็แล้วก็ก็หายก็ผาเสร็จก็ปกติดีตอนนี้ไม่เป็นนะหายดีแล้วหายปกติเอ่ะ อปฏิบัติต่อไปเลยมีความรู้ ส, สึกว่าความตายนี่มันอยู่นิดเดียวเองค่ ะ, ะความตายเป็นของธรรมดาถ้าเราเข้าใจมาแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ตายไปกับมันอยู่ดีกดนนๆก็ตายได้นอนยืดเชยก็ตายได้ได้อยู่ที่ไหนก็ตายได้หมดถึงเวลามันจะตายอออถ้าเราพร้อมจะตายแล้วเราจะไม่เ ร, ไมเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่ทรมารุณ อยู่ก็สบายไม่เดือดร้อนไม่กังวลถ้าผ่านผ่านความตายแล้วสบายจะกลัวว่าถ้าจะตายจริงรู้จิตจะได้แบบเดิมเปล่าใชได้ถ้าทํามาได้แนละ้วมันก็ทําของมัน <ừ. S 1> โดยอัตโนมัติเหมือนนักมวยที่เคยซ้อมแล้วพอมันขึ้นเวทีมันก็จะเคยขึ้นมาแล้วมันเคยโชคชนะมาแล้วมันก็จะชนะไปเรื่อยๆคือไม่ได้ว่าตอนที่ฟังว่าเขาบอกว่าจิตให้นนึถึงบุญตอนนั้นไม่ได้นึถึงบุญนึกอย่างเดียบว่า บุญมันมีหลายอย่างเนี่ยการดูลมหายใจก็เป็นบุญอย่างหนึงนะมีสติไงสตินี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งจะนึกว่าถ้าจะเกิดอะไรก็ตามเพราะว่าคงเลือกไม่ได้แล้วแต่กรรมทำมาก็ขอให้อยู่บา ร, รมีของพระพุทธเจ้าคิดอย่างนี้นั่นแหละมีสติสติเป็นบุญบุญใหญ่กว่า บ, บุญที่ทํานทำทานสติทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเรานิ่งไม่เดือดร้อนกับความ เป็นความตายของร่างกายอือ่าดีล้วนะฝอกไว้เนี่ยต่อไปทุกคนกนจะต้องเจอถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญามันจะเหมือนเหมือนกายตื่นเวทีพอจับขึ้นเวทีมันจะเต้นมันจะวิ่งหนีให้เขาไล่ไล่ต้อนเอาะแต่ถ้ามีสติมีปัญญามันจะเฉยอะมันจะเป็นไรก็เป็นไป ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราห้ามไม่ไห้ามไม่ได้มันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้มันจะอยู่ก็ห้ามมันไม่ได้มันจะอยู่จะเป็นจะตายก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันใจเก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสเวตนาตอนยุ่งที่ปวดท้องนีมันก็จะมาเป็นท่าพักเดี๋ยต่ก็กำหนดพุทโธไปมันอยู่ได้ค่ะแต่ว่าเวทนามันก็อยู่ด้วยแต่เราก็อยู่ได้แต่เราไม่ลาคาญไม่ คำสอนครูบาอาารยก็จะเข้ามาเป็นแล้วที่ฟังๆอยู่จะเข้ามาเป็นละะ<อ> แ, แล้วๆก็แล้วจะกำหนดิกายเจ็บจิตไม่เจ็บไม่จะ อ, อยูจิตอยู่ตลอดเวลาอันนั่นแหละเนี่ยกา ร, ารปฏิบัติบ่อยๆฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆมันจะมีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจนไม่ให้วุน่นไม่ให้เดือดร้นอนให้เฉยได้เนี่ยคนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฟังก็ลองฟังตัวอย่างดูเนี่ยเนี่ย การปฏิบัติธรรมนี้จะมีประโยชน์มากในยามวิกฤตในยามคับขันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาใกล้ตายนี่จะมีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นสารณะจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่อย่างสบายไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวกับความเป็นความตาย ตอนนี้เฉยแล้ยไม่ค่อยกลัวก็ตายแล้วใช่ไหมไม่กลัวเลยคือมันรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยหรือว่าอุบได้เห็นเลยอยู่เฉยมันก็นอนอยู่อ่ะไม่ก็ตายได้ไม่มาคิดกังวลแล้วนะดีสาธุนะมีคำถามทางบ้านเข้ามาไหมมีค่ะอเลยคำถามจากคุณเดินลอยตามพระคาถาคต ผมบวชอยู่ในมหานิกายผมไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบไปกิจนิมนต์ผมชอบนั่งสมาธิปฏิบัติผมยัตติเข้าธรรมยุทธแล้วผมจะไปอยู่วัดใดได้บ้างที่เป็นวัด ส, สายปฏิบัติผมอยู่นครศรีธรรมราชครับก็ก่อนยัตติก็ไปดูวัดที่เราอยากจะไปอยู่ไปถามเขาว่าจะขอมาอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ไปยัตติแล้วก็ไปขอเหมือนกับอันเล น, นมหาลายัยแล้วก็ต้องไปเลือกดูว่าเขารับเราหรือเปล่า ถ้าเขารับเราเราก็ไปสมัครเรียนที่นั่นวัดแต่ละวัดเขาก็ต้องดูคุณสมบัติของผู้ที่ไปอยู่ว่ามีคุณสมบัติตามที่เขากำหนดไว้หรือเปล่างนั้นก่อนที่เราจ ะ, ะเปลี่ยนนิกายจากมหานิกายเป็นธรรมยุทธ์เราก็ต้องไปดูวัดที่เราอยากจะไปอยู่ก่อนวันนี้เขาเขารับเราหรือไม่ถ้าเรามีคุณสมบัติอย่างนี้ เมื่อถ้าเราขาดคุณสมบัติเราต้องปรับปรุงอะไรแล้วก็ปรับปรุงไปคำถามจากคุณพิมพ์คงพระอริยะโสดาบานันตัดกิเลสความโลภในโลกธรรมได้มากน้อยเพียงใดครับเคยฟังอาจารย์บางท่านกล่าวว่าพระโสดาบันยังตัดความอยากร่งรวยไม่หมดจริงเพียงใดครับไม่จริงหรอกถ้าตัดความความความตายได้มันก็ตัดทุกอย่างได้ที่มาจกกับร่างกาย ลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกื่องกายมันก็มาถ้าไม่มีร่างกายมันก็มีไม่ได้เห็นถ้าพระโสดาบันนี้ท่าน ย, ม า, ย, า, ยามตายได้ถ้ายามยอมตายได้ยามเสียร่างกายได้มันก็ยามเสียลาบยศสรรเสริญที่มากับร่างกายได้มันเป็นของมาด้วยกันเห็นสิ่งที่พระโสดาบันยังตัดไม่ได้ก็คือการอารมณ์ยังมีการอารมณ์อยู่ยังเห็นคนสวยคนหลอ่อยังเกิดอารมณ์ รักยังชอบอยู่ยังอยากมีแฟนอยู่ถ้ามีแฟนก็ยังไม่อยากจะเลิกกับแฟนเพราะสวสดาบันสมมุติเป็นเป็นคนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วลเป็นสวสดาบันก็ยังติดครอบครัวอยู่ยังติดแฟนยังรักแฟนอยู่แต่รู้ว่าแฟนก็ต้องตายตัวเขาก็ต้องตายไม่กลัวตายแต่กลัวเหงาอยู่คนเดียวแล้วเหงายังต้องมีแฟนอยู่แต่ถ้า ปฏิบัติท่านขั้นสูงกว่า น, นั้นขั้นจเจริณาสุภาษได้มองเห็นร่างกายของแฟนเป็นซากศพไปเวลาแฟนตายไปจะเก็บเขาไว้ในบ้านเรามหมยกให้สับเปลอือกเลยใช่ไหมแต่ถ้ายังหายใจอยู่นี่ใครจะมาข อ, อนี่ไม่ยอมเด็ดขาดใช่คนเด็ดตีนขาดนี่ไม่ยอมให้ให้เข้าไปแต่พอเขาหายไม่หายใจเมื่อไหร่นี่ไปเลยยกให้ไปเลย เห็นถ้าเราพิจารณาร่างกายของแฟนเราว่าเป็นซากศพเรื่อยๆไม่หายใจเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าเรากําลังอยู่กับซากศพเป็นนั่นเองซากศพที่ยังหายใจได้แล้วถ้ามองเข้าไปข้างในร่างกายมันก็ยิ่งเห็นเห็นที่เละเทะต่างๆอยู่ในร่างกายเห็นอวัยวะน้อยใหญ่เห็นปอดเห็นไตเห็นตับเห็นลาไส้เห็นอะไรต่างๆมันก็จะเห็นโครงกระดูกเนี่ย มันก็จะทําให้หายการอารมณ์หายหมดเลยถ้าต่อไปก็ไม่เหงาละอยู่คนเดียวได้อยู่กับแฟนก็ไม่นอนกับแฟนละเพราะรู้ว่านอนกับซากศพซากศพนอนกับซากศพร่างกายเราก็เป็นซากศพร่างกายเขาก็เป็นซากศพงั้นก็จะตัดการอารมณ์ได้จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ถ้ายังมีการอารมณ์อยู่นี่ตายไปยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ ไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเป็นโสดาบันก็ไม่เกินเจดชาติถ้าได้ขั้นที่สองก็ชาติเดียวคือถ้าทําให้เบาบางลงไปลดไปสักครึ่งหนึ่งก็มีการมาลงมากลดไปสักครึ่งเบือ่อเบื่ออยากอยาเมื่อก่อนนี้มีแต่ยากไม่มีเบื่อเลยแล้วพอพิจารณาสุภาษมันก็จะเบือ่อแล้วถ้าพิจารณาขึ้นไปขั้นหนึ่งนี่เบื่อตลอดเลยเห็นเป็นสุภาษตลอดเลยก็จะไม่มีการมาลง าจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตายไปก็จะไปเกิดบนเป็นพรหมเป็นอยู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วไปบรรลุปเป็นพระอางที่สวรรค์ชั้นพรหมต่อไปเนีย่ยวถ้าถามคําถามว่าพระสวสดาบาล น, นี่ละลาบยศ ส, สรรเสนเนี่ยมันละวาได้นะไม่หิวแล้วก็เราถ้ารู้ว่าตายแล้วมันจะไม่เอาอะไรไปได้ก็เราถ้ายอมตายแล้วมันกับลาบยศสรรเสริญทําไมจะสะละไม่ได้ใช่ไหม ถ้าให้เลือกระหว่างชีวิตกับเงินทองเราจะเอาอะไรถ้าเลือกชีวิตกับตําแหน่งจะเอาอะไรถ้าให้เลือกเอาไม่ว่าให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่จะต้องถูกประหารชีวิตทันที <c oughs> ไม่เอาดีกว่า <c oughs> เป็นชนธรรมดาแต่ได้อยู่อ <c oughs> ย่งพระสสดาบางแม้แต่ชีวิตยังยอมเสียได้แล้วทําไมลาบยศสรรเสริญทําไมจะเสียไม่ได้ของนอกกาย ในเมื่อกายยังยอมเสียได้ไม่กลัวตายแล้วถึงเวลาตายก็ไม่ยินดีราบยศสันนเสริญก็เหมือนกันถึงเวลาจะเสียก็ยินดีที่จะเสียแต่ถ้ามันยังมีอยู่ก็ใช้มันไปยังมีความจำเป็นจะต้องใช้มันก็ใช้มันไปแต่ถ้าไม่มถ้ามันจะถูกเขาแย่งออกไปถูกเขาืยื้อไปก็ไม่เสียดายไม่เสียใจพระโสดาบรละพวกนี้ได้หมดพงแต่ว่ายัางละ รูปความสวยงามของร่างกายไม่ได้ยังเห็นร่างกายสวยงามอยู่ยังต้องมาพิจารณาดูอสุภะดูตอนที่มันไม่สวยงามตอนที่มันเป็นซากศพตอนที่มันไม่หายใจหรือมองเข้าไปข้างในมองเข้าไปใต้ผิวหนังเ่ถ้าเรามีตาเอ็กซเรย์นี่จะเห็นเป็นโครงกระดูกหมดเลยนี่นั่งอยู่นี่โครงกระดูกเท่านั้นแต่ไม่มีใครมองเห็นทั้คน ยอมตายกับเต็มใจตายนี่มันต่างกันไะก็เหมือนกันนะเต็มใจตายก็ยอมตายแต่เหมือนเดียรแต่มันมียอมตายเต็มใจตายอย่างสองแบบพอจนตรอกม่นรู้จะทาอะไรกับกับเห็นด้วยเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนเวลานหนจนตรอกก็ไม่จนตอกก็ต้องตายอยู่ดีอันนี้เห็นด้วยปัญญาเพราะว่าถ้ายอมตายแบบจนตรอกเวลาไม่จนตอกมันก็จะไม่ยอมตาย ใช่ไหนะต่างกันแต่ถ้ายอมตายเพราะเห็นด้วยปัญญาว่ายังไงก็ต้องตายร่างกายนี้เป็นเรื่องที่เกิดมาแล้วต้องตายไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าจนตรอกมันจะตายเจ็บไข้ได้ป่วยยามตายมันก็อาจจะยอมตายเพราะมันจนตรอกแต่ถ้ามันหายเมื่อไหร่มันก็จะไม่ยอมตายขึ้นมาได้ยังอยากอยู่ต่อไปกาอย่างนี้ก็ยังเป็นกิเลสอยู่ ถ้ายังอยากอยู่มันยังเป็นกิเลสอยู่แต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมันจะไม่อยากอยู่แต่นั้นก็ไม่อยากมันก็ยอมตายแต่ถ้ายังอยู่มันก็ไม่อยากตายมันก็จะเฉยเฉยอยู่ก็ได้ตายก็ได้คมถามต่อไปหมแล้วเหรอมีค่ะคาถามจากคุณประกรณ์วิตนั่งสมาธิแล้วเกิดแสงจ้ามากครับพระอาจารย์ จะทําอย่างไรต่อเพ่งดูหรือไม่สนใจครับอย่าไปสนใจมั น, เ ป, นเป็นธรรมดาเวลานั่งสมาธิมันจะมีของแปลกๆซากมาให้เห็นอย่าไปสนใจถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธไปดูลมก็ดูลมไปเดี๋ยวของต่างๆพวงนี้มันก็จะหายไปมันเป็นทางผ่านก่อนที่ใจจะรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิเนี่มันจะเจอของแปลกๆ ก, ก็อย่าไปสนใจมันคําถามจากคุณชนะตน ฟังคำและฝึกตามคําสอนของพระอาจารย์ไปเรื่อยๆและเวลาไปปฏิบัติที่วัดป่าจะเพลินในการเจริญสติไปทั้งวันไม่เบื่อนั่งสลับเดินโยมจะไปปฏิบัติที่วัดป่าช่วงวันหยุดยาวควรเจริญสติกับสมาธิไปทั้งวันก่อนจนกว่าจะได้อัปอ ป, ปนาหรือหรือเปล่าคะแต่ตอนนี้ใจไม่ค่อยคิดแล้วคะ่ะแต่ยังไม่ได้อัปปนาพยายามให้อัปปนาก่อนนี่ค่ะเพราะถ้าเรามาคิดเดี๋ยวมันจะทําให้ จิตสงบได้ยากถึงแม้จะที่ไปทางปัญญาแต่มันจะเผลอเดี๋ยวเผลอไม่จะคิดไปทางเรื่องอื่นได้ยังเบื้องต้นนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าไปคิดมันดีกว่าจนกว่าเราสามารถหยุดความคิดได้จิตรวมเป็นสมาธิได้แล้วทีนี้เราเราก็ค่อยมาคิดทางปัญญาต่อไปได้หลังจากออกจากสมาธิขณะอยู่ในสมาธิก็อย่าไปคิดอย่าไปเจริญปัญญานั่งสมาธิเพื่อให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันสบายให้มันพักผ่อน อย่าไปใช้มันทํางานตอนที่อยู่ในสมาธิใช้มันทํางานตอนที่ออกจากสมาธิแล้วเหมือนคนนอนหลับอย่าไปไปปลุกขึ้นมาทํางานปล่อยให้เขานอนหลับให้พอพอเขานอนพอแล้วเขาตื่นขึ้นมาเองพอเขาตื่นแล้วก็เรียกเขาใช้เข้าไปทํางานได้จิตก็เหมือนกันนั่งสมาธิก็เพื่อให้มันสงบให้มันพักให้มันมีพลังขณะที่มันพักอยู่อย่าไปใช้มันทํางานให้มันพักจนกระทั่งมันมันอิ่มตัวมันพอมันก็จะถอนออกมา พอมนถอนกมามันเริ่มมาคิดก็คิดให้มันคิดไปในทางตายรักสัพเพสังขารานิจารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเช่นลาบยศรสสารรูปเสียงกลิ่นรสเนี่เป็นสังขารทั้งนั้นไม่เที่ยงมีเกิดมีดับร่างกายเราก็ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับร่างกายของแฟนของลูกของสามีก็เหมือนกันให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้เราปล่อยวางแล้วถ้าเราคิดแล้ว เ, เริ่มฟุ้งแล้วก็หยุดคิด กลับไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบใหม่เพราะคิดทางปัญญาเดี๋ยวมันทะเลาไหลไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวมันก็จะฟุ้งขึ้นมาได้เราก็หยุดคิดแล้วกลับไปตอนนี้คิดแบบนี้แล้วทําการบ้านยังไม่มียังไม่มีเหตุการณ์จริงยังไม่เจอเหตุการณ์จริงแต่เตรียมตัวไว้ก่อนสอนไว้ก่อนเดี๋ยวต่อไปเวลาเจอคนนั่นตายคนนี้ตายจะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจเพราะจะรู้ล่วงหน้าเหมือนมียาอย่างทราบแล้ว เหมือนมองเห็นอนาคตแล้วเห็นอนาคตของคนนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องตายอนาคตของคนนั้นเดี๋ยวเขาก็ต้องตายพอเวลาเขาตายจริงๆเราก็จะไม่ตื่นเต้นตกใจพราะเรารู้อนาคตของเขาล้รู้อนาคตของเราแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกันเดี๋ยวอนาคตร่างกายของเราก็ต้องตายแต่ถ้าเราไม่คิดก็เหมือนกับเราไม่รู้พอเกิดใครตายขึ้นมาก็ตื่นเต้นตกใจกันใช่เป็นข่าวหน้าหนึ่งอะไรใช่ไหแสดงว่าไม่มีใครเห็นอนาคตของ ของของไข่เลยพอเขาตายขึ้นมาตื่นเต้นตกใจพวกที่ไปหาหมอดูก็เหมือนกันไม่ไม่เห็นอนาคตของตนเองต้งต้องไปถามหมอดูให้บอกหน่อยว่าอนาคตหมอดูก็ไม่บอกอนาคตว่าต้องตายหมอก็บอกจะรวยอย่างนั้นจะรวยอย่างนี้จะมีแฟนอย่างนั้นอย่างนี้หมอก็โกหกอีกหมอไม่บอกอนาคตที่แท้จริงอนาคตที่แท้จริงอนาคตสุดท้ายของพวกเราก็คือความตายนี่เอง นี่เราต้องมองอยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาตอนนี้เราทําการบ้านไปก่อนนอกจากว่าเราออกมาปั๊บเจองูเลยนี่เจอเหตุการณ์จะตายจริงๆตอนนั้นก็ต้องทำข้อสอบเลยยอมตายหรือเปล่ายอมรับความจริงว่าต้องตายหรือเปล่าถ้ายอมรับว่าต้องตายก็จะไม่กลัวตายก็ตายมันไม่ใช่ตัวเราของเราอนัตตาร่างกายเป็นเพียงดินน้ำนมไฟ เราคือใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายคิดแบบนี้มันก็จะไม่ทุกข์กับความตายการใช้ปรรัญญาไม่ใช้สองลักษณะถ้าเกิดเหตุการณ์จริงก็ทําข้อสอบเลยถ้ายังไม่เจอเหตุการณ์จริงก็ทําการบ้างไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเดี๋ยวพอเวลาเจอข้อสอบจะได้ทำทำข้อสอบได้คําถามจากคุณพิธิรับด์เวลานั่งสมาธินา น, านหลังจากนั่งเสร็จ ทายจากสมาธิแล้วมักจะข่าชาตลอดเลยครับเป็นเพราะนั่งผิดท่าหรือเปล่าครับอ๋อไม่หรอกมันเป็นธรรมดาของร่างกายนั่นเมื่อมันนั่งในท่าที่มันเลื่นลมมันไม่ไหลสะดวกมันก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บอาการชาขึ้นมาพอเราทายยื่นขายื่นยืดเส้นยืดสายออกไปเดี๋ยวเลื่อนลมมันหายมันไหลตามไหลเวียนตามปกติมันก็หายชาหายเจ็บคําถามจากคุณวนิดา หากเราฝากปัจจัยคนที่ไปทำบุญกฐินที่เขารวมมากันหลายๆวัดประมาณสาสิกว่าวัดเราฝากเขาไปทำทุกวัดอันนี้ส่งในการฝากไปจะได้บุญเท่ากับเราไปทำเองหรือไม่เจ้าคะได้เท่ากันคนะ่ะคำถามจากคุณสมใจถ้าคนเราเกิดมาแล้วก็มีหน้าที่ต้องทำในชีวิตอยู่ทุกๆวัน ตั้งแต่ได้ฟังพระอาจารย์ทุกวันจิตก็ไม่อยากได้อะไรปล่อยวางในสิ่งที่มีแต่หน้าที่การงานต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างควรทําจิตแบบไหนดีคะที่จะให้มีความสุขกับงานที่ต้องรับผิดชอบในครอบครว <UE> ัว <bitte>. ก็คิดว so ่าเป็นการทําบุญไปก็แล้วกันเป็นการทําบุญทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแต่ก็ต้องมีขอบมีเขตต้องคิดถึงประโยชน์ของเราบ้างถ้าเป็นไปได้ก็พยายามตัดความรับผิดชอบตัดภาระต่างๆออกไป เพื่อเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติทําได้อย่างเต็มที่ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะติดอยู่เราก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้เราก็ต้องดูว่าภาระต่างๆที่เราทําอยู่ตอนนี้มีอันไหที่เราตัดได้ไหมหรือว่าบอกเขาล่วงหน้าก่อนได้ไหมว่าจะทําให้เท่านี้นะพอถึงเวลานั้นจะไม่ทําแล้วนะหัดช่วยตัวเองกันบ้างนะนอกจากว่าถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เช่นพ่อแม่ ป่วยเจ็บไข้พี่คลนพี่การนี้มันก็ถือว่าเป็นการทำบุญไปก็แล้วกันคาถามจากคุณนายหนุ่มหากเราพบคนทำผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบบ้านเมืองทำให้เขาได้รับโทษหรือโดนปรับเงินเราเป็นผู้แจ้งถึงการกระทำผิดนั้นและได้รับส่วนแบ่งจากค่าปรับที่กฎหมายกำหนดถือว่าเราบาปและก่อเวรกับผู้กระทาผิดหรือไม่ครับ อ, อ๋อไม่บาปหรอกเขาผู้กระทาผิดทาบาป เราเป็นพลเมืองดีเราก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับเขาเพื่อเราจะได้ปกป้องรักษาคนดีไม่ให้ถูกเบียดเบียนไม่ไม่บาปไม่เสียหายแต่เราอาจจะถูกคนที่เขาจับไปลงโทษถ้าเขารู้ค่ะจะอาฆาตพยาบาทเราได้เราก็อาจจะต้องรับเคาะถ้าเกิดเขาออกจากคุกมาแล้วเขาก็มาตมารังควานเราเห็นถ้าทางที่ดีก็อย่าให้เขารู้ว่าเราเป็นคนบอกได้ก็ดี หลอกตำรวจว่าอย่าไปอ ย, าอย่าไปประกาศเพราะว่ามันมีโทษตามมาเกิดเขารู้เขาอาจจะจองเวรจองกรรมได้แต่ถ้าเรายินดีที่จะยอมให้เขาจองเวรจองกรรมเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเราก็ทำไปแต่ถ้าเราไม่อยากจะถูกจองเวรจองกรรมเราอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ของพลเมืองดีก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไป คำถามจะคุณจา่าดับถ้าชอบทําบุญทําทานเป็นหุ้นส่วนทางกิจการจะนํารายได้หนึ่งใน5ของทั้งหมดที่ได้รับแต่ละเดือนมาทําบุญทั้งหมดอันนี้ถือเป็นกิเลสไหมครับทําบุญไม่เป็นกิเลสละทำบุญเป็นธรรมเป็นการฆ่ากิเลสเพราะว่าแทนที่ยามเงินนี้ไปเที่ยวไปเลี้ยงกิเลสเราก็อามาทําบุญมาเลี้ยงธรรมะแทนเป็นการใช้เงินที่ถูกต้อง ดีกเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มแล้วก็หมดไปความสุขได้ก็หายไปหมดแต่เอาเงินมาทำบุญนี่ความสุขยืติดใจอยู่ไปนานกว่าทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราทำเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาต่างกับทุกครั้งที่เราคิดถึงที่เราไปเที่ยวกันคิดแล้วก็กลับอยากจะเที่ยวขึ้นมาอีกทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะไม่ได้เที่ยวคาถามจากคุณสุชาติ การสวดมนต์ภาวนาก่อนไปปฏิบัติทําเป็นประจำเป็นที่วัดหลายสิบ ป, ปีแล้วครับปัจจุบันสังขารไปไม่รอดไปมาลําบากเลยหันมาปฏิบัติอยู่ที่บ้านโดยถือศีลสวดมนต์ภาวนาอยากทราบว่าอั น, นิี้ส่งผลบุญจะได้เหมจะได้รับเหมือนที่ไปทําที่วัดไหมครับก็อยู่ที่ผลเนี่ยถ้ามันสงบเหมือนกันก็ได้ผลเท่ากันถ้าอยู่ที่บ้านสงบมากกว่าได้อจากที่วัดมันก็ได้ผลมากกว่า มันอยู่ที่ผลคือความสงบถ้าเราอยู่ที่บ้านสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วจิตสงบมากกว่าไปอยู่ที่วัดก็ก็อยู่ที่บ้านก็จะดีกว่าคำถามจากคุณธัญรัตน์พระพิฆเนศท่านมีจริงหรือไม่คะทําไมลูกสาวได้สนทนากับท่านตลอดแต่ไม่ได้ฝันแล้วลูกสาวอายุเก้าขวบจะมาเล่าให้ฟังเขาจะชอบสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวันแล้วชอบเห็นองค์มหาเทพหลายองค์ด้วยคะ่ะ เรไม่รู้เรื่องเทพเนี่ยต้องขออภัยด้วยคำถามจากคุณจันทริถ้าเราซื้อของและเตรียมของให้คุณพ่อใส่บาตรแล้วเรายือนอยู่ข้างๆเราจะได้บุญเหมือนเราใส่บาตรเองไหมคะเป็นเงินของใครนะเราบอกเ่าเปล่าถ้าคนเจ้าของเงินนะคนที่เสียเงินนะ่อนนะอนั้นได้บุญคนที่ไม่เสียเงินก็ไม่ได้บุญแต่จะได้ได้ความสุขจากการไป เห็นคนอื่นเขาทำบุญก็เป็นบุญอีกแบบหนึ่งบุญจากการแสดงความยินดีชื่นชมกับการทําบุญของผู้อื่นแต่ถ้ายืนแล้วเสียดายเงินว่าเงินนี่ไม่น่ า, าไปทำเลยเอามาให้เราดีกว่าถ้าคิดอย่างนี้ก็จะไม่ได้บุญเพราะเกิดความอิจฉาเกิดความโลภอยากจะได้เงินที่เขาไปทําบุญคําถามจากคุณแอน เราร่วมเงินทําบุญกระถิ่นแต่ไม่ได้ไปเข้าร่วมงานในวันทอดกรถิ่นผลบุญที่ได้รับเท่ากันไหมคะอ่าเท่ากันเท่ากันคําถามจากคุณนพนนภารู้สึกผิดเพราะความคิดเราจะแก้อย่างไรคะก็อย่าไปคิดมันเลยหยุดมันให้พุทโธพุทโธแทนพอคิดไม่ดีก็หยุดมันด้วยคําว่าเอาความคิดที่ดีเข้ามาแทนพุทโธพุทโธไปพุทโธนี้ก็เป็นความคิดอย่างหนึง แต่เป็นความคิดที่ดีทําให้จิตสงบทําให้จิตมีความสุขเป็นพอเราคิดจะไปด่าใครก็พุโทโธพุโทโธเสียพอจะคิดตาําหนิใครก็พุโทโธพุโทโธเสียช่างเขาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแค่นี้ก็จบแล้วก็มาพุโทโธพุโทโธของเราดีกว่าคิดไปแล้วทําให้ใจเราร้อนใจเราทุกข์ไปเปล่าๆคำถามจากโยมโจ้กระถิ่นคืออะไรครับกระถินก็คือ <laughs> คือผ้าที่เขาถวายให้พระเขาเรียกว่ากรถินสมัยก่อนนี้คืออาจจะเล่าเรื่องกรถิ่นให้ฟังหน่อยสมัยก็สมัยยุคแรกๆที่พร ะ, ระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนายุคนั้นญาติโยมไม่ได้ถวายผ้าให้พระใช้ให้ใใหปล่อยให้พระไปหาผ้าที่ทิ้งอยู่ตามป่าชา้าเรียกว่าผ้าป่าเพราแต่มีแต่ใส่บาตรเพราะฉะนนั้นศาสนา ย, ยังไม่ดังคนยังไม่รู้จักยังไม่ศรัทธามาก ก็เพียงแต่ใส่บาตรพระก็ไปเข้าไปในหมู่บ้านก็ไปบิณฑบาตก็ได้อาหารมาแต่ผ้าจีวรนี่ต้องไปหาเอาเองก็ต้องไปหาผ้าที่เขาหอ่อศพสมัยโบราณเขาไม่เผาไม่ฝังก็จะเอาผ้าห่อศพแล้วทิ้งให้มันให้มันผุพังไปเปื่อยไปพระก็เลยต้องไปไปตามปา่าช้าไปหาผ้าหอ่อศพเอาเอาผ้าหอ่อศพเอามา เอามาต้มเอามาซักมายอมมามามาปะมาเย็บมาติดมาต่อให้เป็นผ้าผืนใหญ่เป็นผ้าผ้าจีวรเราเรียกว่าผ้าป่าสมัยก่อนมีแต่ผ้าป่าทีนี้พอศาสนามีคนศรัทธามากขึ้นมาขอบวชมากขึ้นผ้าที่อยู่ในป่าช้าก็ไม่พอใช้พระเลยเดือดร้อนไม่มีผ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้ญาติโยมว่าต้องทําบุญให้ต้องถวายผ้าให้กับพระแล้ว จะได้บุญมากได้อ น, นิสงฆ์มากเพราะตอนนี้พระขาดแคลนผ้าอาหารไม่ขาดแคลนบิณฑบาตมีกินทุกวันแต่ผ้านี้ไม่มีเปลี่ยนมีผ้าอยู่กลุ่มหนึ่งมีผ้าอยู่ผืนเดียวเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากลางทางเจอฝนเปียกไปทั้งตัวพอเข้ามากับก็ต้องมากราบกับผ้าที่มันเปียกปอนพระทธเจ้าเห็นก็สงสารก็เลยต้องบอกสอนญาติโยมว่าต่อไปนี้ทุกปีตอนออกพรรษา ให้ถวายผ้าให้ผ้ามีผ้าได้พอใช้ผ้าเหล่านี้เรียกว่าผ้ากรถินนก็มีธรรมเนียมมาตั้งแต่บัด น, นั้นแต่สมัยนี้จะถวายผ้านี้เขาถวายกันทั้งปีอยู่แล้วจะมีกระถินไม่มีกระถินก็ไม่เดือดร้อนเอราสมัยนี้ผ้ามันมีเยอะสมัยโบราณนี้ไม่มีโรงงานผลิตผ้ากันต้องใช้มือทําทักผ้ากันมันก็มีน้อยแล้วก็แพง คนก็เลยไม่ค่อยได้ถวายผ้ากันนะพอมีคนมาบวชมากขึ้นผ้าไม่พอใช้พระพุทธเจ้าเลยต้องบอกว่าถ้าถวายผ้าจะได้บุญมากเนี่ยคนก็เลยคิดว่าทำมูลกฐินนี้จะได้ได้บุญมากความจริงมันบุญมากบุญน้อยอยู่ที่เงินที่เราทำอะ่ะมันได้อยู่ที่ผ้าหรืออยู่ที่อะไรแต่สมัยนั้นผ้ามันขาดแคลนถ้าระหว่างถวายผ้ากับถวายอาหารบิณฑบาตเนี่ยถวายผ้าดีกว่า เพราะอาหารบิณฑบาตมันเหลือเฟือแบ่งคนที่ถวายบิณฑบาตครึ่งหนึ่งไปถวายผ้าแทนนี้จะจะจะได้ประโยชน์กว่าเพราะอาหารได้มันมากเกินที่ต้องการแต่สิ่งที่ขาด ท, ที่ไม่ได้ก็คือผ้าก็เลยก็เลยถือว่าการทำบุญถวายผ้าก็ถิ่มีบุญมากแต่สมัยนี้มันไม่มากแล้วหลเพราะผ้ามันเหลือเฟือสิ่งที่จะถวายมากตอนนี้ก็คือหนังสือธรรมะดีกว่า เอาไว้รรมาให้กับพระไปอ่านดีกว่าคำถามจากคุณจาดับการที่หุ้นส่วนกิจการมักจะติงเสมอเพราะการดำรงชีพจะนำเงินจากส่วนที่เหลือมาใช้จ่ายอย่างประหยัดแต่ 20% ของรายได้ของตัวเองต่อเดือนจะนำมาซื้อของใช้อย่างดีถวายวัดปาาทั้งหมดพอฟังมากๆก็ทำให้จิตตกสับสนกับการทำบุญของตน อันนี้ควรจะแก้ไขยอย่างไรดีเพราะการปล่อยวางยังไม่ถึงใช่ไหมครับเขาพูดอย่างไรนะเดี๋ยวพูดอีกทีไม่เข้าใจการที่หุ้นส่วนกิจการมักจะติงเสมอเพราะการดำรงชีพจะนำเงินจากส่วนที่เหลือมาใช้จ่ายอย่างประหยัดจะอยู่ด้วยการซื้อของลดราคาแต่ 20% ของรายได้ของตัวเองจะนำมาซื้อของใช้อย่างดีถวายวัดป่าทั้งหมดพอฟังมากๆก็าทาให้จิตตกสับสนกับการทาบุญของตน อันนี้ควรแก้ไขยอย่างไรดีเพราะการปล่อยวางยังไม่ถึงใช่ไหมครับขอยังไม่คิดถึงผลบุญที่จะได้รับเอเราต้องมาฟังเทศฟังธรรมเปรษาเรื่องประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำบุญการทำบุญนี่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นอาหารใจทำบุญแล้วจะมีความสุขใจอิ่มใจจะทำให้ไม่หิวไม่โหยไม่อยากจะได้สิ่งของต่างๆจะสามารถใช้ของประหยัดได้ซื้ออยู่แบบสมถะเรียบง่ายได้ ถ้าไม่ทําบุญเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟยมันจะมันจะติดแล้วมันจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆซื้ออยู่บ่อยๆซื้อเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอมันจะหิวอยู่เรื่อยๆนี่คืออา น, นิสงส์อันแรกการทําบุญนี้เป็นการให้อาหารใจทําให้ใจอิ่มทําให้ใจไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากไม่มีความอยากจะได้สิ่งที่ไม่จําเป็นต่างๆไม่มีความอยากจะไปเที่ยวเทอาอะไรเท่าไหร่อาจจะมีบ้างแต่ไม่มากเหมือนกับคนที่ไม่ทําบุญ คนที่ไม่ทําบุญนี่จะเอาเงินไปซื้อไปซื้อข้าวของที่ไม่จําเป็นไปเที่ยวไปอะไรกันซื้อเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ไปเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็จะเดือดร้อนเพราะเงินทองจะไม่พอใช่นี่เป็นประโยชน์อันแรกที่เกิดขึ้นกับเราจากการทําบุญแล้วบุญที่เราทํานี้มันก็เปลี่ยนเหมือนกับเงินที่เราไปฝากไว้ในธนาคารตายไปเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะามาเบิกเงินที่เราฝากไว้ได้เกิดเราจะกลับมารวยกว่าเก่า สมมติตอนนี้ชาตินี้เรามีฐานะหนึ่งล้านกลับมาชาติหน้าจะมีสองล้านเพราะว่าเงินที่เราทําบุญไว้มันฝากไว้มันจะมันจะรอเราอยู่เนั้นเราจะกลับมามีฐานะร่ำรวยกว่าเก่ า, กาจากการที่เราได้ทําบุญประโยชน์ที่3เวลาที่เราตายไปบุญนี้เป็นเหมือนบัตรเครดิตเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราถือบัตรเครดิตไปใ บ, บ, บเดียวก็พอไปถึงก็ใช้บัตรเครดิตจ่าย ซื้อข้าวของได้ต่างๆได้เพราะเอาเงินบาทไปไม่ได้เอาเงินปาดไปก็ใช้ไม่ได้ต้องไปแลกเปลี่ยนก่อนแต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตก็รูดได้เลยใช่หไหโรงแรงก็จ่ายได้อาหารก็จ่ายได้ซื้อของก็จ่ายได้หมดบุญนี้ก็เป็นเหมือนบัตรเครดิตที่เราจะไปใช้ในโลกทิพย์เนี่ยเวลาที่ไม่มีร่างกายนี้ใจเราต้องออกจากร่างกายแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ช่วงระหว่างที่เราเดินทางไปพบใหม่ร่างกายใหม่เราก็ จะได้ใช้บัตรเครดิตใช้บุญนี้เป็นซื้ออาหารซื้อความสุขต่างๆเราก็จะได้ไปสวรรค์แทนที่จะไปเป็นขอทานไปเป็นเปรตพวกเป็นเปรตนี่เป็นพวกที่ไม่ได้ทําบุญเนี่ยไม่มีบัตรเครดิตติด ต, ตัวไปก็เลยต้องมารออยู่แถววัดเนี่ยรารอรับส่วนบุญของคนที่เขาทําบุญกันนี่คือเรื่องของบุญเนี่ยมีมีประโยชน์สามประการด้วยกันประโยชน์แรกในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ ทำให้เรามีความสุขมีความอิ่มใจสุขใจไม่หิวโหยกับสิ่งต่างๆประโยชน์ที่สองเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะรวยกว่าเก่าเพราะมีเงินฝากไว้ในธนาคารบุญประโยชน์ที่สาเวลาตายไปก็จะมีบัตรเครดิตติดตัวไปบุญนี้จะเป็นบัตรเครดิตที่เราจะใช้ในโลกทิปได้ไม่ต้องไปเป็นขอทานมารอรับส่วนบุญของญาติพี่น้องถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะมีกาลังใจที่จะทา ดูตัวอย่างก็ดูพระเวชสันดรพระเวชสันดร น, นี่ท่านก็ทำบุญอย่างโมโหราลมีอะไรใครอยากได้อะไรให้หมดเลยพอตายไปก็ไปสวรรค์ไปอยู่ยสวรรค์มีบัตรเครดิตไปท่องเที่ยวในสวรรค์พอกลับมาเกิดใหม่ก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะรวยกว่เก่าอกีกมีประสาทาสามฤ ด, ดูมีความมั่งคั่ง นี่คือประโยชน์ของบุญดังนั้นคนจะท Emperor, ําบุญต้องรู้จักประโยชน์ที่เราจะได้รับเหมือนกับเราซื้อหุ้นเนี่ยเราต้องรู้ใช่ไหมหุ้นตัวไหนมันให้มันให้ผลตอบแทนมากน้อยต่างกันหุ้นตัวนี้ให้ร้อยละสิบหุ้นตัวนี้ให้ร้อยละ2เราจะเลือกซื้อตัวไหนนี่ยเราต้องซื้อไอ้หุ้นที่ให้ร้อยละสิบเนีอันนี้ก็เหมือนกันทําบุญแล้วได้ผลตอบแทนอะไรมากเราก็ต้องศึกษาอยู่เหมือนกับซื้อสินค้าซื้อสินค้าชนิดนี้มามันทําอะไรให้เราได right right. ้มาก ถ้าเราไม่รู้เราของคงยังไม่ซื้อใช่ไหมออันนี้ก็เหมือนกันคนทําบุญบางทีถ้ายังใจยังหวั่นไหวอยู่ก็แสดงว่าไม่รู้ว่าตนเองได้ประโยชน์อะไรจากการทําบุญเพียงแต่ว่าเชื่อว่าบุญดีเท่านั้นแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีใครบอกว่ามันดีอย่างไรในวันนี้ก็จะได้ได้รับรู้และล่าต่อไปจะได้ไม่ต้องมาลังเลสงสัยเวลาใครก็ทักอะไรนี่นก็จะได้รู้ว่าคนทักมันไม่รู้เรื่องคนตาบอดมันไม่รู้ว่าตายไปมันยังต้องไปเกิดใหม่ ยังไม่รู้ว่ามันจะต้องไปอยู่ในโลกทิปต่อไปเออไคนที่มาทักเนะน่าสงสารกว่ากลัวเหียืยนมันไปมันต้องไปเป็นขอทานเนะข้าใจไหอต่อไปเพราะเรศสันดอ น, นี้ท่านเป็นท่านเป็นระดับฤๅษีนะก็เป็นฤๅษีรู้สึกว่าเป็นเจ้าชายนะแล้วเราไม่ใช่เลยเมื่อก่อนนะแล้วก็ไปไปอยู่เป็นแบบฤๅษี อ, อ, ย อ, อยากจะแบมป์เพนทํามีลูกมีเมียก็เลย เอาไปด้วยแต่เลี้ยงดูไม่ไม่ดีจู ช, ชกมาขอเอป็นเลี้ยงก็เห็นว่าดีเขาจะได้แบบแบ่งเ บ, บ, บ, บาภาระให้ก็ให้ไปไม่ใช่เพราะว่าไม่รักหรืออะไรแต่คิดถึงประโยชน์ของลูกว่าจะได้มีคนดูแลได้อย่างเต็มที่เอก็เลยให้ไปถ้ามีคนมาขอมีก็จะให้เหมือนกันพอดีเทวดามาช่วยหรือไงไม่ทชาก็ยังเป็นอุบาสกอยู่อ่ะก pues ็ยังไม่ได้เป็นฤาษีเพราะยังมีลูกมีเมียอยู่ อยู่ถือศีลแปดอะไรอย่างนี้ไปทาบุญไปอีกข้อนึงข้อถามจากคุณบีบได้ศึกษาธรรมะรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดควรจะบวชในชาตินี้และในตอนที่แข็งแรงดีแต่ว่าพ่อแม่ยังแต่ว่าพ่อแม่ยังไม่สมควรบอกว่าวัยยังไม่สมควรอยู่สู้โลกไปก่อนอย่าเห็นแก่ตัวตัดช่องน้อยแต่พอตัว หนูคิดแบบนี้อาการดันยูไหมคะไม่หรอกถ้าพ่อแม่เขาดูแลตัวเขาเองได้ไม่ไม่ไม่เป็นการเห็นแก่ตัวหรอกการไปบวชนี่เป็นการไปทําประโยชน์เบื้องต้นก็ทําประโยชน์ให้กับตนเองก่อนออตอนเองได้ประโยชน์แล้วก็ทําประโยชน์ให้กับผู้ <ừ. S 2> อื่นต่อไปหรือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ไปทําประโยชน์ให้กับตนเองก่อนไปปฏิบัติอยู่หกปีไปพอบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว อีกสี่ห้าปีก็มาทําประโยชน์ให้กับคนอื่นยนั้นการไปบวช น, นี้เป็นการไปศึกษาไปร่ำเรียนพอเรียนจบแล้วก็มาสั่งสอนคนอื่นต่อไปอยั้นการไปบวช น, นี้ไม่ได้เป็นการไปตัดช่องน้อยเพื่อเอาตัวรอดเพียงคนเดียวไปเพื่อจะได้มากลับมาช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างมห ah าศาลถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปบวช น, นี่จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราจนถึงปัจจุบันนี้ยัง อย่างบอกพ่อแม่ว่านี่ไม่ได้เป็นการไปตัดช่องน้อยไปเอาประโยชน์ใส่ตัวเป็นการเป็นการไปศึกษาไปปลดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของตนเองให้หมดไปพอหมดแล้วก็จะได้มาช่วยคนอื่นให้คนอื่นเขาได้หมดทุกข์เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญได้ทรงปฏิบัติหนาะอย่าถ้าอยากจะบวชนี่ไปเลยเพราะอนาคตไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ อยู่ดีๆอาจจะพิกลพิการขึ้นมาก็ได้หรือมีเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยท่าถ้าตอนนี้ไปบวชได้รีบไปเถิดเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพพนิสพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ